แต่ว่าเรื่องจากทสเฎีไทยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างทุกอย่างเนี่ยถูกถูกจัดมาเป็นคานสอนหมดเลยคาสอนหมดเลยการถวายต้องสอนการดีนางต้องสอนการประกาศต้องสอนคือผมก็ไม่เข้าใจนะตอนสมัยเม็นคริสเตียนในมผมไม่เข้ใจทีนี้ระในทฤีจักวันนี้เนี่ยไกลๆไปเอาเรื่องพวกนั้นมาถูกสอนแต่ในความประสบการณ์ของผมผคิดว่าหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเพื่อเราเป็นคริสเตียนจนที่เราไม่ต้องถูกสอนเช่น เวลาที่เราอธิษฐานเราไมต้องทูลศรเป็นที่เซียต้องอธิษฐานเป็นที่เซียต้อง่อไปเป็นที่เสียต้องรับใายเป็นที่เสียต้องประกาศเป็นที่เสียต้องไปโปดเรื่องวกนี้จริงๆแล้วไม่จริไม่ใชสารบัญของทำศรเนยแต่ว่าทาไมผมเนี่ผมไม่สาบผมไม่าบเวลาที่เราดูหนังสือกิจการเนี่ยถ้าท่านหลายๆเป็นเซียนนาแล้วเวลาที่เราศึกษาจากพระธรกิจการพระธรรมกิจการเป็นเป็นข้อบัตที่โลกโลกที่สัจจะดูแลคริสต์เก่ดูแล อัน ท, ที่สิ่งทุแล่ไม่ได้ถูกสอนใ้ต้องไปโบสต้องไปถ ว, วายต้องไป น, น, งนั้นอธิษฐานคนเหล่านั้นเวลาเขารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ออกจากชีวิตของคนเหล่านั้นเลยในที่สิ่งทุแง่เขา้าถวายรักกันเขาเขาประกาศเขาเป็นพยาอะไรต่อไรเพราะฉะนั้นผมต้องต้องขอโทษจริงๆว่ า, เ, าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าเราทั้งายเข้าถึงพระคุณ ในพระเจ้าแล้วเนียเรื่องการที่จะพูดเรื่องพระเยซูกับใครสักคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติในราชีเราพันเลยทุกคนรู้ได้คนยุ่มากๆนั่งรเมขึ้นรถเมล์ฟรีนะขนเมีไปนั่งอยู่ข้างใครแต่ไปพูดสักใหนึงหรือพูดเรื่องพระเยซูกับคุณนะอะไรขอมาแการประกาศเอ่อมีผู้รับใช้ระเจ้าท่านหนึ่งท่านูดถึวนี้บอกว่าการประกาศคือการพูดเรื่องของพระเจ้า อยางไม่ง่ายเล้คฟังการประกาศหรือการเป็นใญยามหรือการพูดเรื่องพระเจ้าอย่างไม่ง่ายไม่เปนฝังแต่ส่วนเรื่องการเกิดผลเป็นเรื่องของพระเจ้าที่สตีนไม่ต้องคิดแทนพระเจ้าแต่ว่าที่สตีนมีหน้าที่ประกาศหรือเป็นใบยาเหรือการประกาศหรืเป็นใบยามเนี่ยเป็การพูดเรื่องของพระเจ้าอย่างไม่ง่ายใครจะพูดแบบนี้กพูดง่ายๆประโยคน์ไหนดีพูดง่ายงพระเจ้ารักคุณ เราขึ้นรถแท็กซี่จากก่ายเงิเขาพู ด, พ, ด, พ, ด, ดาาพูดได้พูดได้นกกี่ครับพระเจ้ารอกคุณพูดได้เพราะเยซูคิดรักคุณแล้วเรจ่ายเงินค้ารถเข้ า, ขาไปคือเราต้องฝึกให้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตพิเศษเพราะว่าการพูดเรื่องพระเยซูหรือการประกาศเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องที่เราทําได้อย่างง่ายๆแต่เราไม่ต้องไปคิดวิธีการเยอะแยะเลยนะตามหลักนะผมผมเป็นนักบวชแล้วผมเริกเป็นบัญญาเนีั้งเล็ผมเป็นปัญญากระโจนในบ้านคน เพราะคนในบ้านผมคือคือค ng ng ู่ขัดขวางผมมากที่สุดเลยขัดขวางผมพี่ชายผมนี่อุ้ยตกใจผมเป็นฟี่ิดสใหม่ใมผไม่เป็นฟิสก์น้าเลยเพอะไรที่ผมบอกคือว่าเขาร้องโดนมากเลยผมถือเข้ามีเข้าไปในบ้านเขาหยิบเข้ากำีก็ตามน้เงินผมอยืนตะพักห่นะถงจะพูดได้บอกว่ากำปีเลียนสีน้ำเงินน้ำเงิ เราไม่เตใ่อายมาดูดินึกว่าข้าวไปนึกซื้อกินดิเอามาทออิภาพูเกนึกินก็มาภาพมว่าบางทีชิงทิ้งใหญเลยนะก็เยีเยียดเยียดอผมผมไม่ค่นเท่าไหร่เพราะผมไม่เสจาดงี ท้าทีบอกว่าบรรดาผู้ระบางเรียนจอได้มีภาระหนักมหาเราายได้ทันายให้เรือเป็นสูขแล้วก็ดีใจพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนชีวิตเราพกลับบ้านเจอเรื่องงงหุนาโดนตกพี่ชายผมตายนะเพราะว่าพ่อผมตายและผมยังเด็กๆหน่อยดันั้นพี่ชาจะเป็นคนปกครองบ้านทั้งหมดเอาดได้ไหนตั้งดันั้นอะไรที่ขัดหูขัตาเขาเล่นงานหมันั้นผมโดนเล่นงานมาก คนในบ้านทั้งหมดเนี่ยผมคุยเยรยยยื่องพระเยซูกาโยงเป็นวิชาผมก็พูดไม่ได้แม่ผมนองผมเอาใบบิลไว้ให้เขาเป็นภาษาจีนให้เขา อ, อ, อ, อ่านแล้วก็พูดกับเขานะจูเลยโซอ้ายพูดก่านะแค่นี้นกค็คือพระเยซูลาคุณไม่รู้พูดอะไรพวกนี้มีศาสนามาในชีงเขาเต็มเกี่ยวกับผมจะพูดอะไรได้ถ้าเขาแบามมไม่ได้ดยกับหาดีแล้วทาอะไรไปกับผมในไม่้จะพูดอะไรพระเยซูลาคพระเยซูับแม่ มีอรเล่แยแล้วแมลาราห้าวันหนึ่งแม่ผมป่วยนะนออูราพยาบาลไปจันเสิร์ฟสีจันทำมหาไวนี้ไปเยี่ยมนะผมก็ไปเยี่ยมพอเยี่ยมเสร็จปุเราก็กลับเพราเราคิดว่าแม่เขาหวเจ้าใชพอเราเดินย่างเ้าะไปแม่เรลววเร็วเผมก็หันมาถามว่ามีอะไรอีกต้องทรอะไรหรือเป่าก็ผมไม่มีอะไรนี่มีอะไรทไมมอธิษฐานในัวก่อน ไอ้นี่คประโยชนที่ผมเนี่ยอมขอบุณพระเจ้ามากมากเลยผมเลมาที่เตียงก็จะบอกที่เตียก็ถาว่าแล้วแม่เชื่อวิอยซูเหรอเาก็พยายหน้าแล้วผมบอกคุณพระเจ้าแม่ผมมีที่สตินของตายเชื่อหรเปล่ด้วยประโยช์แรกๆที่ผมพูดเขาตรที่ผมมีสิทธิ์ก็ยสูงละแม่ก็ยิ่สูแม่ไม่รู้จะพูดอะไรเขาต้องลืมเร่องวาเจ้าเรื่ไม่รู้จะพูด ฉะนั้นผมคิดว่าเวลาที่เรจะพูดเรื่องขอการประกาศหรือการเป็นใยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เข้าใจนะเราจะต้องรู้เลยว่าการประกาศไม่ได้ยากอยางยากมากมายอะไรไมมีวิธีมากมายอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะฉายอะไรบางอย่างให้พวกเราดูแต่ว่าผมเกลีเกิดให้คุณทราบว่าแม้แต่เวลาผมเข้าไปในลึ่งจานะครับท่านตั้งหลายทราบนะคนที่ติดพุงอยู่เนี่ยตั้งแต่ในคนมหาเศรษฐีจนกระทั่งคนไม่มีอาร มันมีคนทุกรูปแบบอยู่ในนั้นเลยแล้วเราไม่รู้หลอกเสือสิงห์ตัวเองแรกอย่างนั้น น, น, นะนะมือปืนค้ายาเสพติดข่มขืนปนข่าอะไรเนี้ยมันอยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเขาไม่ได้มาบอกผมหรอกว่านักโทษที่ก็เอามาฟังผมเทศนาหรือสอนทพระเจ้านี่เป็นใครบ้างคดีไหนอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แต่ในเวลาที่เราจะไปเริ่มพูดเราจะไปพูดอะไรจะสอนใครบางคนเป็นไอน้คนคนเด็กคนตัวเด็กชะรออย่างเนี้ย โอ้เราดูใจใช่ไหมเออนั่งเฝายามนี่นะคนในตัวเองในคนเอกคนตรีแล้วก็เศรษฐีนักเลือกที่ชาวลูกคู่อดีนทศยาดอกเตอร์มีนนคนละคนที่อยู่ในกรุงมันมีคนมีคนนานาช น, น, นิดดะนั้นเวลาที่เราเข้าไปสอนเราจะใช้แบบไหนที่จะสอนเขาให้คนตั้งบทเรียนอรได้ผมก็เลือกจะไม่ง่ายถือพระเยซูแล้วคุผมพยายามจะเริ่มต้นข่าวประเสริฐ กับคนด้วยการบอกว่าพระหยัดสุดฉะนั้นก็ผมไม่ค่อยมีวิธีอื่นมากในชีิตเราตั้งหลาฉะนั้นผมหมุนใจพวกเราทั้งหลายการเป็นพยานนะพูดเรื่องเรื่อเจ้าใจง่ายๆคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเซียนพวกเราทัหายไม่ไม่ต้องคิดวิธีการมากแต่ผมเชื่อที่ศึกษาเนี่ยมักจะสอนวิธีการต้องอย่างนั้นต้องใช้คู่มืออย่างนี้ต้องอย่างนั้นแต่เนี้ยคู่มือที่ดีที่สุดคือประสบกาณชีวิตที่คุณมีกับพระเยซู คุณมีประสบการณ์กับพระเยซูคุณพูดประสบการณ์นั้นไปของดีของจริงของแท้ที่สุดเลยแล้วบอกเขาตอบถามมาๆคุณก็จะตอบได้ว่าคุณมีประสบการณ์แท้ละดัะนั้นผมคิดว่าการเป็นพยานและการพูดเรื่องพระเยซูอย่างง่ายที่สุดในการประากาศเนี่ยคือการพูดที่ในสิ่งที่คุณรู้จริงผมผมไม่เคยพูดอะไรเดินกว่ า, าศาสนศาสตร์ที่ผม บาทีศาสสตร์พวนี้ไม่เข้าใจด้ไปก็สวดนะเรียนตั้ีมาตั้งเปีเนี่ยปีนะเรียนถึงบริณาโทเนียเรียนมาผมไม่รู้ศาสนาศาสตร์ทุกอย่างหรอกนะเพราความดีผมไม่รู้เรื่องเพราะคมดีเยอะมากพูดตรงๆเลยนไม่ได้อายอาจารย์หคนเก่งมศสซาเก่งกว่าผมเยอะผมเรียนตั้งีอนมศสี่มันเป็นผู้รับใช้ระจาเนสัตว์ไปเพครอบครัวผมเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าของหมอศึกษา สมัหมอศึกษาเป็นหมอรักษาฟันอยู่ที่โรงพยาบาลฟันพ่อปู่ผมทั้งหมดเนี่ยเราเป็นลูกค้าของหมอศึกษานั้นเราเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าชุ่มแล้วเราก็ไปหมอฟันให้กับหมอศึกษาอยู่แล้วแล้นหมอศึกษาช้าเขาเขามาเป็นผู้รับใช้หลังๆแล้วด้วยด้วยภูปฏิเหตุที่พระเจ้าดูแลเขาดูเขาถึงเข้าถึงปัจบันใการรับใช้ยขาก็มาประมาแต่ผมจะุ่นพ่อเขาผมดูดจากพ่อหมอศึกษาเรารับใช้ด้วยกันนะ หมอพ่อชื่ออานันท์เทพอาลีอ่ะหมอพ่ของหมอศกษย์ศานะผมว่ารู้จักสมัยดู้แล้วทำงานไปประกาศางอสัตย์ุรีสิงห์ปุรีนพ่อเตั้งรูตั้งองค์กรถึงเาเรียกว่าความเชื่อความหังความดันพ่อของหมอศิษาน็ต่างชื่อล้วก็ไปประกาศอะไรเงี้ยทำานหมอศกษยาเฉะนั้นแต่ว่าวันนีหมอศกษาความรัูระดับโลกแล้วระดับทองฟานผมพื้นดินไม่เจอ่ผมมีอะไร ผมผมไม่มีความรู้เยอะแต่ทุกสิ่งที่ผมนับใจพระเจ้าสุดแจผมยื่นเอาประสบการณ์เรื่างหนักดังนั้นเราจะต้องถาม <c oughs> เวลาที่เราจะว่าเราจะจะเป็นพยานเก่งไม่เก่งพูดเรื่องพระเยซูเก่งไม่เก่งเราวถามตัวเราเองว่าเราเชื่อพระเยซูแค่ไหนเราใช้จิตเด็กพระเยซูแค่ไหนถ้าคุณใช้จิตกับพระเยซูมากคุณมีคำพยานมากคุณมีประสบการณ์มากคุณมีข่าวป ร, ระสบมากตอนนั้นเองดังนั้นอยู่ที่เราใช้จิต ถ้าคุณอธิษฐานบ่อยๆกูก็มีประสบการณ์ในการอธิษฐานกูก็ไปบอกคนมาแลอธิษฐานดีนะอธิษฐานเสร็จอธิษฐาน้เพราะคุณมีประสบการณ์ไงก็อธิษฐานดีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้องต้องต้องดำรงอยู่บนวางเป็นจริงฉะนั้นถ้ามีศึกษามันก็เป็นตัวหนังสือที่สเพื่อยังปิดอยู่นะมันเป็นแค่ทำสอนที่ที่บอกกับเราว่าดีแต่ว่าการเคลื่อนไหวในทีวของเราเนี่ยต้องมาจากประสบการณ์ที่แท้จริง นั้นพระธมีพูดถึงการประกาศถ่าประเสริฐคุณเริ่องประกาศทาวประเสริฐเรื่องว่าอย่างนี้อะไรเนี่ยข้าพเย้าแม้ละอายต่อการประกาศถ่าวประเสริฐพราะถาวประเสริฐในรีเบรตอะไรเนียโรมที่หนึ่อสิกสจ็ก็สอนอะไตรอแต่ว่าหลายคนที่เป็นคริสเตียนก็มองว่านีเการสอนการเตี่ยใจประยุทธ์แนะนำเราแล้วก็สั่งเราแต่เราจะทำไหมแต่ว่าผมคิดว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องตัวเลือกที่ออกไปจากพระธรมีติได้เรื่องจริงที่ได้แก่จริงของตุกตั้งตาย พวกท่านเนี่ยคือข่าวประเสริฐท่านทังหลาย่ยข่าวประเสริฐผมมีพี่น้องสิบคนแต่ว่ามีพี่น้องห้าคนที่ขับแท็ก่เป็นทิ่เสียดีนั้นก็หลานเลยก็หลานสิบกว่าคนก็สีห้าคนที่เป็นริสเตียดีนั่นก็เปนพี่ชายของอาจารย์ตก็เป็นทิเสียนก่อนตาเป็นคนที่มันบอกเลยเรื่องอะไรแล้วเลาให้ฟังแล้ฟ พี่ชายเปโนนะตกตีผมไล่ผมบอกในบ้านผมก็ไปนอนอยู่ที่บุตรแกไปเรื่เลยนะผมไม่นอนอยู่ในบุแต่ว่าผมก็จะเป็นประกาศที่บ้านทีเขาไม่อยู่นะผมก็ไปบ้านไปบ้านแล้วก็ไปคุยกับแม่นะคุยไนเรอเข้ามาแล้วผมไปแอบใต้เตียงนะห้องน้ำปั้งไว้ปั้งแม่ก็จะลอกุแจแล้วก็ช่วยผมนะช่วยผมรอดเพราะว่าเขาเจอผมก็จะตกตีผมจะตกในพี่ชายผมโตลายมากเลย แต่ว่าแปปีแล้วผมใช้เวลาดินฐานเกือเขาะแปดปีน้ผมนอนอยู่ในโบนะไปทาความสะอาดให้โบสร์นอนแล้วทุกนเทียว่มาดีไปด้วยแล้วตอที่ถามปีที่แปนะเขากับแม่กับพี่สาวนะมาหาผมที่ผมแล้วเป็นเรื่องอาศจรรเป็นปีที่ผมกำลังเตรียมจะแต่งงานแล้วผมก็ไปดือะแต่งนอยู่ที่ไหนพอบนเราไปนอนอยู่ในซอกเอาเจ็บเปีอะไรเนี่ยเราไปนอนอยู่ในซอกของโบนในเอเดนเบแต่งงานจะปอยู่ที่ไหนเรจะเอาเงินที่ไหนแต่งงานเือไม่โอ แต่รู้ว่าเวลานี้เราอยากไปแต่งงานเพราะยุ้เริ่นะมมีอันก็เลยอยู่ดูเขากับแม่จับพิซซ่า ม, มาอบอกว่าขอผมกลับไปบ้านได้ละเขาเขาเข้าใจผมได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกลับไปบ้านผมกลับไปบ้านนะเขาเตรียมห้องให้ผมอยู่นะผจัดสา น, น, น, น้องห้องอย่างเี้ยมีห้องน้นมีตู้ใจใหญแล้วอนหลเสร็แล้วาถามผมว่าเป็นยังไงกติอตอนนี้ก็เลยเาังไปงอยากไปแต่งา เออแล้วแล้วแนอยู่ที่หนเราเราเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาออกเปินแต่งงานทุกอย่างให้หมดเลยจ่ายิหมดเลยได้ับบ้านแลวก็แต่งเขาเาจัดโต๊ะีนอะไรแล้วก็ไปโบสถ์สามย่านทำพิธีที่โบสสามนแล้วเีกแดที่เขาได้แม่ก็เขาโหไปด้วยแล้วก็แต่งงานกันที่โบสสามย่นแล้วก็ทาพิธีแ้ผมก็มาอยู่กับกับแม่กับแม่ที่ท่านสามที่อยู่วนีเก็เรียกผมไปหาเขาที่บ้านของเขาเลย เขาเขาไกับบ้านกับเมียกับลูกสาคนเขาก็เรียกผมไปบอกอาทิตย์นึงไปหาเขาค้หนึผมถามว่เมียไหนเออนมาแล้วจักผมก็ไปไปเขาไปดงเขาบอกว่าขออ่านพระธรมีเรเรื่องพระเจ้าก็ฟังหนแชนผมก็เอาสิเรียกผมว่าไอ้น้องบาทหลวงไอ้น้องบาทหลวงใน่านวัดเมียที่ฟังหน่อยไอ้น้องบาทหลวงผมจะอ่านผมก็เรืออ่านพระธรมีเตอจะเป็นใบบวเาพจ้าอุเบกขเลย อยู่ตอกกานนอยู่ตอกจากเป็นนักเดนใหญ่เลยนะคนมัวรัาขับรถมองหน้าหน่อยมันลงไปบอกก็แล้ที่ือจริงคือพี่เราไม่ดีี่เราเป็นคนเดยแล้วผมยังคิดเลยน้องนิสสาวเดี่ยวนี้ทกวันโดนตัวจริงนะตายผมคิดแบ่นี้ก็เป็นนักเดีแต่ว่าวันนี้เขลังสนใจเรื่องประจ้าผมก็ไปนะที่ตำรวจผมก็ไปอาเขาก็นั่งคุยกันนั่งคุยจนกระทั่งเขายอมรับประเจา ดีนะพี่สู้ดีนะเออไพูดดีนี่เออถ้าเสร็จแล้วสุดท้ายผมก็มีขานี้เขาแล้วผมรู้เขาเชื่อไม่ได้ไม่ได้พาไปโบสถ์รับเชื่อกันต่อะไรแต่ผมในตัวผมนะผมเชื่อเพาเชื่อวันเึงผมทำบมาที่โบสถ์น้องสาวตัวสาวมาบอกว่าพี่ชายตายได้ผมก็หลีอนเน่เพาะว่าเช้าวันนั้นนะเดินไปสื้ออยสามข้างๆรีนจิติพานินะเดินไปซื้อหมูกิโลนึง ไปซื้อหมูยงมึงช่างขายหมูช่างให้ข้าวขีดโดยกลับมาบ้านเฮ้ยทำไมมันเบาๆเล่ลงข้างหี่ที่บ้านหนึ่เจก้ากลับไปบอกว่าไอ้ขายแเนียเรื่องความไม่ทังเป็นดาดวใส่ที่ฉายผงดาก็อยากไถ้าโชคชาติาันขายดีนะไปด่าก็อยาครผยจะวิเอาวางหูแขมึงอ่งู้นกูยีอะไรจะด่าเขาหน้าัเขาเลยเอาไม้ที่ก็เตียวกันดูม ฟาตาเหมูเลยใาเหมูเลยาาเียโอ้ยทีเดยวนเออวนะั่เนไนเปน่าังผมก็แ้วว่จะยกเขาผมอยู่สักสามเดือนแล้วกเียอตยั้นแต่ยังมียง้าวเลัดเลยครับ เด็ตซอยสระไมนเป็นอาไรไอ้ซอยก็จะดิเหนกันข้อแร็จะลาดขั้นนี้่จะเป็นหลัดที่หญ่หลกสี่ตุ่ซอยสาอยู่ข้างๆมีดีพานี้นะนั่นแเขาไปซื้อหมูที่นันาบ้านเอยู่บ้านเขาอยู่แถวใกล้ๆดีพานี้อาสำใจพานี้ไม่นใช่หรอไม่ใช่เออไม่ไดกินซ้ออาสำใจมันดูปากซอยดสากรไอ้นี่ดูปากซอยหลอกกันก็จริงนะที่กินดีพานี้ าเาก็มาแต่ว่าเขาก็มาหาพระเจ้าเราองรู้พร้าแต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากการคู่เรื่องพระเจ้ า, จา ก, ก า, รร จ, าจากประสบการณ์แบบไม่ง่ายเนี่ยผมถึงใจบาคนบอกว่ยพี่น้องกันนะพาเขาไปที่สตียากาจะตายไปเรื่องจริงระดับแบบนี้เพราะว่าพันลูกวะไรอะไรเยอะช่แต่ว่าพระคำของพระเจ้าเป็ประสบการณ์พระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชไ เราต้องเชื ham, ่อว so so ่าประสบการณ์ของพระเจ้าคือวิริยะแต่เราพูดประสบการณ์ของพระเจ้าหรือคํำพระเจ้าเราต้องพูดแต่ถามว่านี่คือค่อยคําที่เป็นวิรเดะคุณไม่ได้พูดเพราะว่าสรุปที่ที่ยาที่ม่ไเรื่องสรุปไม่ใช่เป็นวิรเดะเมันเข้าไปในเรื่องจำผมเล่าเรื่องให้เาฟังเพราะว่านี่คือวิรเดะแล้ะผมเชื่อเรื่องนี้มากเลยว่าค่อยคําที่เราพูดเนี่ยนะจะมีอำนาจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขต่าเลย ได้ผมชื่อรน้านั่นเป็นความ่ที่ทำให้ประสบการณ์ตลอดปีนะผมเข้าออกเลยปีค่อนข้างเกิดผลมากเลย้ผมสายเือสายสเาีให้ดูแลระหว่างสายพวกเรามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องโดยตถึงพวกเราแต่ว่าเนื้อหาหลักใผมต้องการถใจพวกเราทั้งหลายว่าขอให้เราขอให้เรา เข้าใจพระเจ้าที่เรเชื pues in inside, truth, er ong, ่อแล้วใช้ชีวิตเนี่ยบนความเป็นจริงนะคุณควรจะพูดกับใครคุณพูดคุณควรจะเป็นบระไรคเป็นบัญญัุควจะประกาศรุประกาศไม่ต้องให้คนสั่งผมคิดอย่างนี้คุณไมต้องมีวิธีต้องให้คนสั่งบอกไปเลยมีลูกมีหลานก็เตือนก็เรื่องระพระเจ้าก็เตือนเือเดียรพระเจ้ารัลูกนะเนี่ยเดี๋ยวเดย้ยาย้านเือให้ให้โบีลานเือยไอ้อีหานเดออะไรก็ว่าทไป เราก็ฝึกเอาเรื่องพระเจ้ามาใช้บนความเป็นจริงไงแต่เราเราชอบข่วนะหน้าขวนเออเราชอบข่วนกนะ็ไม่ง่ายไม่เป็นไรนะ่ะไม่เป็นไรนานๆเข้าเนี่ยลกหลานเราเติบโตมาบนความแข็งๆต่งางโลกไงมันไม่ได้เป็นความซึมซัย์ทางพระเจา้าเลเราก็จะขาดพื้นแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ยมันยากสอนยากไม่ยากเลยโอ้ยมีหลานมีหลายคนไม่ยากไง ไม่มีบัวใจอะไรของมนมุษย์เนี่ยแข็งกระด้างตัวันที่จะป้องกั น, นการทุตะุของอันหน้าเอพระคำของพระเจ้าได้ไม่มีผมไม่เชื่อนั้นะบาถึงบอกว่าพระวจของพระเจ้านะคมและแหลมและแทงทะลกระทั่งดูดไข่ดวยนั้นพวกเราต้องมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตรงนี้ของพวกเราผมผมผมถึงเชื่อตรงนี้มาก ผมผมไม่กลัวผมไม่กลัวอะไรผมไอ้อยู่ต่อหน้าผู้นห่ของบ้านเมืองอะไรก็อผมผมไม่ค่อยกลัวอะไรก็พี่ผมก็ผมเขาถามผมว่าทำยังไงผมก็พูดตามความเปจริงไปก็ต้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่ปกติบุญดีนะดีที่ได้เนี่ยนะก็ต้องบอกบอกว่าขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งนะพี่แหลมพี่แหลมไม่ได้ขึ้นมาก็แหลมก็แหลก็ช่วยผมสอนพวกน้อหนักโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยค้างเลยเราเอาหนักโทษมา้อเพลงแล้วไปแส สมัยนั้นพระพี่นางยังมีชอยู่ท่านก็โกรดมากเลยท่าน่านงให้เราเอานักองนักโูษไปร้องเพลงให้ท่านฟังก็บ่อยมากโดยความหนึ่งยังมีปัญหาเรื่องสถานที่จัดการตั้งที่ตอนนี้เรม่มีที่ช่วยเหลือคนแล้วก็พระพี่นางท่านเองท่านเองเราที่ช่วยเราเรื่องอาสถานที่ให้ที่ผมมีว่าเนี้ยที่ดินสองไร่กว่าเนี่ยเป็นที่มาจากท่านท่านคุยกัผมนะผมก็คานไปหานะท่านบ้างอยู่ี่นี่นะเอาไปยังไงผมบอกว่าผมก็ทํางานแบบนี้ มันจะเป็นงานที่เสียและนื่ยอะไรแต่เป็นงานที่ดีนะ่ต้มีคนทำนะทำต่อไปนะอะไรเงี้ยแล้วเราปูแล้วแล้วะนั้บนีถ้าไม่มีที่ึ่งพระเจ้าเป็นที่พึ่งนานี้ทำยากเาต้มีทางสำเร็จก็เป็นใบานกับเขาพี่นาแบบง่ายๆเล่าเรื่องพระเยซูเปลี่ยนชีวิตคนอะไรอะไรโอ้ท่านเห็นด้วยไหมผมเรองแะผมยังเชื่อว่าท่านรับเชื่อด้วยคับดันั้น ท่านช่วยผมหาที่จุดแล้วเนี่ยที่ผมมีเป็นโบเป็นบุญที่ได้เนี่ยมาจากพระพี่นางท่านแล้วท่านถวายเงินก้นแรกให้ผม่อสร้างโบสามต้นแล้ท่านประธานที่ดินให้หรือเราไปซื้อเองท่านประธานท่านติดต่อให้จับทรัพย์สินสุดพระมหากัริ์โท่านโทหามท่านจีนยท่านจรนยเป็นเป็นผู้ในการทํางนั้นทัพสนส่พระาษัท่านโทรเลยแล้วผมก็ไปหาเลยแนะนาผมไปหา โอเคครับโอเที่ีแต่ว่าต้องเสีกับานหานครับมี้อชื่กมีแต่ก็เป็นบัรนนาของพระนาที่เป็นจุดจุดประกายแรกให้เราแล้วแต่พอเรารู้รู้แล้วาที่ีเยี่ยมกเราวางแผนจะสร้างโบสาคารโบสร้างหอคาสร้างอะไรเงี้ยก็ให้เงินมาต้อนอยเาล่าให้ังว่า ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่บนประสบการณ์ความเป็นจริงขอพระเจ้าแล้วเราพูดบความเป็นจริงนั้นไปผมเชื่อพระเจ้าจะนำพาหน้าจากผู้พูดเหลานั้นหรอและคาพูดเหล่านี้จะเปเกิดผลในดวงใจของคนต่อให้เขาเป็นใครก็แล้ต่มักถึงศาสนาไหนก็แล้วแต่มีหลายคนมันยู่กับผมนับถึงศาสนาไหนเยแยไปแลวคนทางข้ารัฐบาลถามผมว่าผมนั่เกียรไหม้งรแต่พวกคิดไหมอะไรแบบนี่าศาสนาไหนเอามาเรองมาอย แต่คนเนั้นมอไปอยู่แล้วฟังเรื่องที่เราสอนได้บ้านมากเท่าเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราเับใจอ้วยนั่นเราจิดได้คนเหล่นี้มาเป็นพิเศษมากนะ <ừ> ผมจะให้ดูภาพสุภาพกันก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายจะให้น้องคนเนี้ยเขาจะเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังอเ <ừ> ขาเป็นหนึ่งในเจ็ดที่เป็นซับของเราที่ที่ผมพูดเมื่อเด้านี้แล้วเขาเ <c oughs> ขาจะได้เขาฟังว่าให้ให้เขาไล่วกเราว่าเขาเป็นพิเศษได้อย่างไรเออ นี่เป็นนี่เป็นภาพเวลาที่เราเข้าไปในเรือนจำนะครับนี่เป็นภาพที่เราเวลาเราเข้าไปในเรือนจำพวกท่านท่านหลายคนไม่เคยเข้าไปในเรือนจำมันก็จะมีหลากหลายผู้ชายผู้หญิงเพศเยาวชนชายเยาวชนหญิงเราก็จะเข้าไปส่วนใหญ่เราก็จะไปอบรมอบรมจำสถานที่ต่างๆนะครับเราจะมีการไปอบรมอบรมไปสอนส่วนใหญ่เราไปเรือนจำเราเราเข้าใช้เวลาเราสองชั่วโมงผมใช้มากจะใช้เวลาประมาณสิบห้านิตสินาทีร้องเพงร้องเองพระเจ้า มันเรื่องประหลาดคือพวกพวกผู้คุเขาก็ไม่เห็นด้วยกับผมแต่ว่าผมอยากจะทำก็คือเราไร้องเลไปเจ้าเราก็ไจออบอกเราว่าเฮ้ยคไ่เป็นที่ตัวเองไปร้องเพลงคิดเพื่ออะไรกันไม่เป็นไรร้องไปถ้า้ได้ร้องแค่ไหน้อได้เรก็จะทผมก็บอกตันเอนะวาเราไปสก็ต้องไปแต่เจ้าเป็นความงามแเาเป็นความงามลงไปมันลุกไปลุกมันก็เจ้าเวาม่าเป็นจริงกว่าเดี๋ยกไปร้องก่ น้องไปฉะนั้นสิบป้านั่นทียี่สิบาทีเาไม่ก็ร้องเพลงไปพร้องเพลงเสร็พวกาก็มีการย์ายาก็แล้วหลังจากนั้นก็จะเทศนาสันอรรมประจักษ์ไปคนเหล่านี้มาจากพื้นเบตีที่ตั้งรับหรืล่ะคือไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเล่จะตัดพิสเศษแต่ขอบคุณพระเจ้าอาทิตย์แรกผ่านไปอิยสบาไปในที่สุดคนเหล่านี้ก็เปิดใจและวันนี้เนี่ยพกิคุณของพม่เยซูได้ถกวางไปในคนเหล่านั้นหมดลแล้วผมบอกให้วันนี้เนี่ย คุณคุคุไม่ใช่เป็นนักเทศนะคุณไม่ใช่เป็นคนพูดเก่งนะถ้าคุไปเป็นพยานะ้ากดหนึงหนาทีเปยานถ้าคุณถามว่ามีกี่คนอยากไดรับเชื้อพระจ้านะทั้งหมดจะยกมือทันทีผมบอกให้ทุกเรื่องจำใเราเนี้ในประเทศเรนเพราะว่าหัวใจของคนต่ละนั้นที่สิ้นหวังเนี่ยมันเปิดกว้างละสําหรับความรอดแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่คนเราไม่พอคนไม่พอที่เขาไปเก็บตัวใครก็ได้ที่น่าดีเนี่ย ถ้าคุณอยากจะเสริมความเชื่อองคุณนะวคุณคิดว่าคุณเปบนพยานไม่เป็นคุณพูดแล้วมีคนไม่เชื่อนะคุณหาเวลาวังมีไปกับผมแล้วผมจะคุณพูดแค่สามนาทีหนทีและคุณจะมีคุณจะเตื่นเต้นนาทีเลยว่าเ่อคุณพูดสามนาทีนแล้วคนเป็นร้อยรับเชื่อไปเลยแล้วผมก็จะถามบอกว่าเฮ้ยรับเชื่อได้ไงวะคุณเชื่อพลังของชี้ิตขอพวกคุณยังมีค แวผมหนุนใจมนผมเอาเองแบบคามจอผมกาเป็นหลักแต่ว่าผมพูดบนหลักความจริงว่าคุณมีพลั ง, ง, ง, งของของคาพูดอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าคุณต้องเลิกและมีผู้คนต้องเลิอกอ่าไปเนบทเรียนเอะแยะเกิดไปจุดประกาชีวิตของความจริงพิจักรจะสอนุนวิธีการพิจักก็จะสอนพวกคุณไปอันนั้นเป็นพิศจกักรแต่ราบของความจริงแล้วคุณต้องพูดอย่าจิดที่จะพูดเรื่องรึดถ้าคุณยังมีลหมหายใจ ถ้าคุณูเรื่องพระเยซูในการดูดเมื่อไรคุณจะรู้สึกเหนอยไน่กับชีวิตมากชีวิตของคุณจะต้องเคลื่อนไหวในหน่วยงารคุณจะมีสิู่ให้มากที่สุดอยากสชื่อพูดได้น่ายิ่งพูดยิ่งซึ้และยิ่งพูดยิ่งตื่เต็นยิ่งพูดยิ่งน้อยลยิ่งพูดยิ่งเติบโตกด้เรื่องพระเยซูเึื่องพระทจ้ามเป็นเรื่องก่อนละถ้าพคุณไม่โตแล้พวกคุณเหงาพคุณเบื่อพวกคุณชีวิตจริ ไปหมวงพ่อจรจริมาหาะที่วะรามเจโอ้พระน้องเอ้าวเจ้าไปหาได้เดี๋ยบานวันนี่มันน่าเกก่อนไปเยก็พาไปครั้งเดียวเองาไปครั้งเดียวก็ไปคู่ไปเที่ยวเที่วไว คุกอะไปงานจารกนะโไปเริ่องปเ่อไปโจะปแจกเพาปีไมเ่เนาด้วยเออนั่นคนละแบบเรื่งเได้เระเราีพวกปีเยี่ยมได้เรื่อนเยีย เออแต่พวกกีเดียนจะเล่นอแต่พวกกีเดียนไม่ไหวพอเอามาตะกีไปชร้างกิโลขายผมจะปวจะตายกีเดียนเก็เป็นลังๆๆงพอมันพอพวกกีเนียนไปพวกแล้วมันองไพ่พวกนั่งโตขนไปไว้ใต้บันไดแล้วก็รอพวกรถมาขายมาซื้อผมละช่าเดียวเนี่ยขโมยมาหลายลานนะโอ้โหโอ้ว่าพวกจล่นบอลไม่รู้เรื่องพวกกีเดียนรู้เรื่องโถายลูกใจโดยขึ้นเยกีตายู้เจ๊ะเขากดีกัน พอมัไปเสร็จ <Wasn> ป <'t S 1> ุ๊บไอ้ตู้คสารห้วกเอาไปไว้ใต้บันไดโอขายมันไม่ให้ไม่าเลยเป็นเร่งของเราประกาศเสร็จปุ๊บแล้วก็แจกลื้อตรงลื้อแจกเมต้องอ่านแล้วหน้าเราไปมันต้องเ็นต้องดีนี่คือการทางานของเราเราไม่ได้เอาไปแจกใรู้ช่มเราไม่เคยแจกมอนพวกนี้เราไม่รัเพราะฉะนั้นลุงป้าไปเจริญมลเจริญรุ่งเลยไม่ใช่นั้น เขายังมาที ó, ó, Ô, anh, ่นี m, ó, p, m, ái, ่ไงแต่อย่าไปพูดเวาที่ี่ก็คือมัานงเา่นนาของเาอะแก็มีโลกั่บนั้นแต่มเราแต่คนไทยทแต่คนไทยงานะไปทุกวันเลยอกินมาเยบ้านเไหนก็จองจิมาโทรมาองเผมไม่รับเเ ต้องขิ้ว่าว่าไหนโอ้ยว่าได้ผู้หญิงวากด้ผู้ายอีลลกท่าเหนเนะผมไม่ได น, นูคิบดิ่ไปผู้หญิงเลยนะแต่ว่าแต่พวกคุณไปเสร็จแล้วก็เติบโตคุณก็มารับใชู้กที่ศักพราะอ่ยคุณต้องเอาชีชา้ีวจะมารับใช้ที่จกัจกพระเจ้าตั้งที่ักจกิเพื่อพวกเราจะเป็นพลันนานำคนมาสู่างรอแต่ว่านีนะ้คุณไม่ได้เป็นคนเก่งมมีส่วนส่วนคุณใหคุณนคนเก่งในการประกา แต่ว่าคุณมีอำนาจพลางการปคุณต้องมาร่วมรับ้าพิจารณพาิจารฐานใหญ่ของการรับใช้ฉะนั้นเราต้องอุิศกิข้ามาเลยงานพิจกิจกรรมจมียอแยะต้องการพกเราทำมเามีานอะไรเราเป็นพยานต้อนรับแทประาเป็นพยานมีคำหมายมาพิจารณ์ในงานแต่ว่าวันนี้มเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตางานของผมผมมีนี้ช่วยนั้นคุณก็ติดต่อมาลวาไปผมมากคุไปไอ้นเป็นพยาน นักโทษยิ้วก็หายมากไงเขาไม่เหมือนคนทั่วๆไปฟังแบบไปแล้วฟังด้วยความสามารถเราว่าเออมาหลายาอะไรอางเี้แต่ถ้าทู้ต้องฟังก็จะมองคุณพูดทุก่างมองจนถึงลมใจวเาค่จะพูดอะไรดีว่าการแต่มู้างลัก็ห่ามัวในหัวเราแล้วก็พูดเรื่องแล้วพูดไปดูเรื่องต้องเอาเลยนะไม่ใช่ เราไม่ได the ้พูดหรด้วยมือารย์ของครูคือาจารย์นาทีย์หนึ่งอาจารย์แจะบอกว่าด้วยว่าคนงานคนนี้จะไม่พูดกันเลยเขาฟังอย่างเดียวท่าฟังอย่างเดียวเาตังสองชั่วโมงนั่งังฟังเรานโอ้ไม่ต้องสั่งเลยตั้งใจมากเลยตั้งใจร้อนลย้นมากริวแต่ว่าเขาตั้งใจมาก นี่นีภาพที่คือพวกเด็กที่แม่ที่เขาเกิดในคลุ ก, กเนี่ยเดี๋ยวหลังๆจะให้ดู่กิดในคลุกนะลูกเขาเี่ยที่เกิดเขาถูจกกับตอนที่เขาตั้งครรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจให้ดูภาพหลังๆที่ที่เป็นงานที่พระเจ้าใช้ออกันแต่ว่าโดยมันจะจัดทั่วทั่วไปจะอ่านภาพก่อนเราส่วนใหญ่เราก็จะเข้าไปแล้วก็ในเวลาเราก็เรียนจานอกจากเราไปอบรมเรื่องรพระเจ้าแล้วนี่มันก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการร้องเพลงประสานเสียงการสวนภาษาการสุดอาชีพการสอนคอมพิวเตอร์ มันจะมีหลายอย่างที่หลายอย่างที่ผมเอาไปเสริมเพื่อช่วยเราเพราะว่าคนเหล่านี้เมื่อโดนโทษออมาจะได้มีสติปัญญามองวิจัยทักกว้างๆหน่อยดันั้นอาจารย์จัดแนก็ช่วยในเรื่องการไปสอนนารงภาษาเสียงเพราะนารงภาษาเสียงเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไปไปฟื้นฟูบมาัดจิตใจของพวกผู้หญิงผู้ชายกติยาเสศิเ็ก็ส่วนใหญ่เวลาพวกพวกกติยาเสศิเกตเนี่ยอารมณ์มันแปรปรวนบันไหวย การสอนเพลงเนี่ยคือการควบคุมและเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมากเลยและโดยเฉพาะเอาเพลงระเจ้ามาลงเนี่ยซึ่งตลอดสิบกว่า ป, ปีมา น, นี้อาจารย์แสดงเป็นเป็นตัวหลักใหญ่ที่ช่วยผมมากเลยในะโครงการเนี่ยแล้วก็อธิษฐานเมื่อปีหน้าเราจะทำนักลงภาษาเสียงซึ่งนานหน่อยรอะว่า เทป60ปันศาแต่นั้นเราก็ได้รับหน้าที่ในการคอนเสิร์ตถ้าไว้เตป60ปันาปศนาผมก็ยากนึแนวแนวคอนเสิร์ตว่าจะเอาเอาเอาแรมไหนดีแต่ว่าหนึ่งในแนวนั้นก็จะมีการเลือกเภาษาเสีซึ่งอาจารย์จะแต่ก็จะมาช่วยเรากั้หนึ่งารพูการถ่ายท็ไปดูได้ด้ว ย, วยกันโอบา <S <S มาสูมีนาเมษาแล้วมีนาเราจะมีคอนเสิร์ตถ้าเทป60ปันานะครับ้ก็ เป็นงานนั้นก็พู้เราๆนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะเข้าไปทำนะครับอาจารย์แตนเล่ก็จะสอนร้องเพลงเป็นภาพที่อาจารย์แนเเข้าไปช่วยสดร้องเพลงภาษาเสียงนั่นเป็นกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่าดนตรีบำบัดนะครับแล้วก็เรามีการจัดค่ายอันนี้เป็นคนจัดข่ายก็เราตรงนี้ฟังดินหน่อยแล้วคือว่าถ้า รัฐบาลเาก็ให้ให้เครดิตตอนมากเลยกคือคนที่ออกจากบุกแล้วเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมจัดเ ข, ข้าค่ายเอาให้มงินจัดค่ายด้วยนะเขาเขาประทรวงยุติธรรมเขาให้มนะงมินไปจากค่ายเลยเขาเรียดคนเลยครั้งละยห้คนร้อยคนนะแล้วให้เราห้าวันเลยนะเอานะ้ำโทษที่บนลโทษมแล้วเนี่ย ไปจาค่ายโสเรื่องพเยซูหวันเต็มเลยนะเขาบอกค่าค่ายค่าเงินค่าเรงอะค่าทุกอย่างหมดเลยนะคุณคิดดูสิเนี่ยค่ารับาลเนี่ยเขเอย่างนี้ว่เน่องเนระเจ้าสาคัญนที่ไม่ใช่เงินี่ไใช่อะ้วแหมวามังคับให้เราช่วยเานะให้เราช่วยเขากิจกรรมแบบที่เตรียมเต็มที่เตรียมวิมีการที่เตรียมทุกอย่างในค่ายเลยนะเว้นดูทุกคน้นูเลย พวกนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าเลยพอสุดท้ายเลยมีกี่คนอยากจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าดังนั้นที่นี่กับพระเจ้าบอกไปยกมือหมดเลยเติมเตจะเป็นจากที่ไหนวังนี้เดี๋ยววันที่27นี้ไปเดือนที่เดือนเดือนที่แล้วจะไปแล้วครั้งหงครั้งนี้ครั้ ง, งนี่นสอง รายสองคนทุ่นคนทุ่นเนี่ยคนท่<ะ> <c oughs> มันออกมาโยนต้นมันถึงได้ออกไฟทุโลกได้เขาถูกตา ม, มาเลยของเขา แต่ว่าต้องมุ่ในการดูแลคุมโกงคุมแบบพุทอยู่ดังนั้นโกงกงมบพุทก็จะเรียกตวมุกนี้มาโกงสำนักงานโกงเขตกรุงเทพเขตพัทธคอนเขตอุทิเขตอะไรก็ว่าไปแล้วพวกนี้ก็จะมาลงตัวกันผมก็จะไปจ้างรถมาแล้วไปออกรถที่สโมสรกองทัพบกพี่พอดียาเงี้ยแล้วพวกเขาก็จะนำรถกันมารอที่นั่นไปผมผมไม่ใชเป็นคนหาคน้อยห้าสิบหกร้อยาสิบกน หาวันสีคืนสี่คืนเขาจ่ายหมดจ่ายหมดค่าวิรยุกวนวิยาเดินอะไระจาหมดกรจายหมดเขาลงทุนเพราะว่าเราไม่มีคนช่วยเหลือคนพวกนี้ของผมนี่เราสอนเรื่องพระเจ้าเสริมภพแล้วเราหางานให้าทด้วยไอ้้ยคนนี้ไม่ใช่กลับบ้านเฉยเนะเราหาอาชีพนั้นเขาเองเวลาข่าจบเนี่ยนี่คือสิ่งที่ภาครัฐบาลเห็นไง เพระนั้นผมเนี่ยเรียกบริษัทต่างๆวันสุดท้ายนั้นผมเรียกบริษัทต่างๆไปเข้าท่ายออกมูนไปออกมูนบริษัททั้งบริษัทนี้บริษัทนั้นส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนบริษัททั้งหมดเป็นคริสเตียนไปออกมูนภาคบายจะเป็นภาคออกมูนสมัครงานกันเขาก็สมัครงานกันใหญ่บริษัททั้งบริษัทนี้ดัะนั้นมีบริษัทคริสเตียนที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับเราเนี่ยประมาณห้าสิแข่งเขาก็มาออกมูนอย่เช่นบริษัท ไก่ว ja, ัวย <c oughs> ่างปลาของคุณลิยงกิติพงศ์รู้จักไหมรก่วย่างบลาเนี่ยเขามางานต้องตจานคนไปกี่ย่างันโรงงานย่างเอารุณหไปร้อยร้อยในลำานที่โรงงานเขาเนี่ยมีบริษัทเยอะฟาร์มเฮ้าวิศีก็เอามังนั้นกินเยอะแต่ว่าคุณที่ต่อแผนเขาไม่อยากให้เปิด เขาไม่ให้ปิดเผยเรื่องตรงนี้ว่ามีนักโทษไปทั้งหมดเขาเปนเขาอร้องผมว่าอย่าไปเปิดเผยกพราะฉะนั้นเรามี่เราคุยอย่างนี้แล้วนั่นเองเขาบ้านจุ๊บ ร้อยยีิบหกสิบหรือมะสิบคนต่อไปก็มาอกกลับไปร้อยกไปร้อยจากหกสิบทำไมเป็นนะนี่จางอ้าวไม่รู้ถามอาจารย์ นสายการงานของประชาศาสอนสอซนเยอม่เอเมริกาเจ็ดสินอะาาระเศุกีาเจ็ินะออกไปร้อยกลับมาเจสิเคยได้ยินอย่างนี้เคยเคยได้ยินาพูดไหมคุณแม่ตัวเาเองคือรแมอกว่าอยู่เปนมอกแล้วไม่มีข้าวกินไ่ีวลบาอยู่นี่จะสบายกว่าโอมูบดแับภาษาหมูบดแบบภาษาที่สเกนกันนะก็ถือว่ามนุษย์ห้ามประจานะ การเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยากมากเฉยนั้นนั่เองที่ตลอดสีวันนะเราปลูกฝังเราให้เขาสัมผัสพระเจ้าเท่านั้นเองวันสุดท้ายเราถึงพูดยื่นงานสีวันแรกเราสอนาเรื่องพระเจ้าเขาต้องถูกปลูกฝังเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเจ้าคือืออำนาจเดียวที่จะทําให้เขาหูตาสว่างหัวใจสว่างเรื่องเดียวถ้าเขาไม่มาหาพระเจ้าแล้วเขาไม่มีอาชีพอะไรแล้วแต่ไปไม่นอดนะครับ อาจจะนอนเลินๆกี่บม่นนก็แล้วแต่ไปไม่มอดไม่มีทางดัง น, น, นั้นพวกเราจะได้รู้ว่าความสำคัญของแก่นแท้ทางชีวิตเราคือการมีประเจ้าสำคัญมาลูกหลานของเราตังไงหลอย่าให้ขลาดปเด็นขาดตามมีพระเจ้าสำคัญดัง น, นั้นผมนี่ผมคริสเออ ท, ที่เป็นนักโทษที่กลับใจไดนะ้เนี่ยทางภาครัฐบาลก็ล ะ, ละทรวงวันธรมกระทรที่ถาถามบ่อยมากอาจารย์ใช้ิธีไหนเขาถึงอยู่ได้ วันนี้เขาเขมาเห็นโบเรามีสอง้ยคนอดีษฐานโทษทำไมพวกนี้ยังอยู่ได้ทาไมยังอยู่ได้ผมก็ต้องพูดกับโว่าเพราะพระเจ้าช่วยเขาเท่านั้นเองถ้าเขาไม่เชืพระเจ้าไอ้พวกนี้ขายยาเหมือนเดิมไอ้นี่ก็ขายยาเดี๋ยวเดยขต้อไปงเวให้เขาปฟัถ้าเาคนว่าแต่นนี้ไม่มาพระเจ้างหอนกันขายยาสาทรสวนบูเอโกุมเด ขายยาเต็มที่เลยติดด้วยหาด้วยนีตด้วยหตอนนั้นจะติดแต่ว่ามันสลาบมันให้เขาดึงเลยมันขายยาเอาเงนเอาเงนยาเดียวตัวเองยังไม่ติดใช่ไหมแต่หน้าเยอพวกที่เป็นภาพที่เราล้วงายกันอ็นี่พวกที่โอนโอนออกมาผมก็รับมาอยู่เนี่ยพวกนี้โอนโอออกมาผมก็รับมาอยู่มาอยู่ใน ในศูนนะบางคนบอกว่าอ well. nah, ุ ета, ้ยส right ัตว์สัตว์สัตวนี้เนี่ยดูได้ทางานได้ไม่ได้หมดนะสรต์ศพไม่สมใจน้าจหัวลเต็มฤศักด์ไม่เงียบนะคุณไปไปโบสถ์บุรีสมาร์อย่างเงี้ยมีสักด์เตหัวไม่น่ากลัวคุณเจอคุณจะเอาไปหลงเดียวคุณจะรู้แลวเขาหัวโอ้หน้าคบอ่อนุ่มอ่อนุ่พระเยซูพระเยซูพระเยซูนคน จริงๆแลูกลักของคนไม่มีความหมายเลยถ้าวิญญาณเราพักการเปลี่ยนโอ้คุณไปสัมผัสได้เลยเนอะเอาก็นี่ที่ในเราเป็นอบรมอยู่ในบ้านเราตอนนี่คือเด็กๆที่ผมดูแลอยู่เด็กพวกนี้ออกมาจากสถานพินิจไม่มีพ่อแม่นี่ไม่มีพ่อแม่ โตมาในสถานสงเคราะห์เด็กพ่อแม่เอาไปทิ้งอยู่ตั้งแต่เกิดมาแล้ไม่มีพ่อแม่พวกนี่ไลยมีพ่อแม่มามาเรียนอมาเรียนแล้วให้เขาเรียนหนังสือตอนที่เราดูแลทั้งหมด34คนเรียนหนังสืออยู่เรีนเราเป้าหมายคือส่งให้เขาเรียนจบมัธยปลายเสร็จแล้วหงาครเรนต่อก็ให้เรียนวิทยาลัยถ้าใครไม่อยากเรียนทางานก็ได้แต่คนนี้เขาเรียนจบปุ๊บแล้วเขาก็เรียนต่อ ตอนนี้ก็มีเด็กที so so now, name, ่ด the ีบถวายตัวครับจายพระเจ้า hmm. ที change, ่มีบดังนั้เขาก็เป็นหนึ่งในเด็กเหล่านี้ที่เคยอยู่กับผมแต่ว่าเขาอยู่มาหกปี6ปีแล้วเขามาอยู่ได้เด็กๆเหมือนกันมาอยู่ได้เด็กๆตอนนี้เขาก็6กปีแล้วดังนั้นเวลานี้เราก็ดูแลเด็กเยาวชนพวกนี้ที่ออกจากสถานนี้ไม่มีพ่อแม่บ้านๆนี่ผมเอามาแล้วผมก็มาสร้างเป็นกระมวนการสร้างสาวโรงเนแล้วตอนนี้รับใช้ยหมดเลยพวกนี้เป็นผู้รับใช้ยหมด ผิดนมาสการของเราพวกผู้กระตาผู้ทำงานเป็นหนุ่มๆแบบนี้หมกเที่ช่วยงานผมทั้งหมดเลยนะรวผมพวกนักเทศก็เป็นนักโทษมาก่อนั่นสิเลยนี่ก็เยาวชนแล้วก็ให้เขาเรียนเรียนฝึกวิชาชีพไปด้วยเรียนภาษาไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยที่นี้ที่พวกเราไม่เคยเห็นที่มูลนิธิของผมจะบินลงทากีตาร์ เป็นแทนเมนเป็นเป็นเป็นแทนแรกในประเทศต่าเป็นกีตาร์แทนเมนนะสารไม้มาจากต่างประเทศทำโดยผู้วนโตตัวตัวนึงส0มบาทส0มบาทเหรอเอ็มกไม้ไม้ทุกอย่างมาจากนอกบ้าเลยแล้วก็พวกพวกศิลปินดาราที่มาทำกับเราหมดเลยนะสแตนบอยโบซิอาบงผู้จางสินเจริญ มาสั่งทำกีตาร์แต่เรอนตอนนี้เราออเดอร์เราไปถึงอตอนต้นปีอะต้องสั่งทำแต่ตงงกีตาร์ตัวสามพันก็มีไม่หกีตาร์ไม่หาสามันหรอแต่พวกนี้มันเป็นไม้คล้า <c ười> ไม้ <c ười> ไมไประยุกบ้านเรา <c ười> แต่ว่าเราใช้ไม้ไอยู่ตบ้านเราได้เป็นไม้ต่ดกฎหมาเราต้องสั่งมาจำเนือน อ, อ้ <c ười> แล้วก็ <c ười> เป็นกีตาร์แอนด์เบดอย่างดีเลยตอนนี้ มีอากูเลเล่มีกตาลเลมีหลายแบบตอนที้เราทำกีตาร์แล้วก็รายได้จากการากีตาร์ที่พวกนักโทษก็ได้ส่วนแบ่งไ ป, ไปแล้วก็เราก็อเอามาเลี้ยงาหารกลาวันให้เด็กๆไปเพราะว่าเราไม่มีรายได้ไม่มีเงินไม่มีคนสนับสนุนเราก็ต้องหาวิธีดต่นั้นที่เป็นโรงงานกีต้าร์ที่เรามีมีพวกผู้บริโภมาช่วยกันทำ ยาเล่นที่เขาสั่งลบออกไม่ได้ไม่ได้เราไม่ให้เ้าลบไปอ่ไมอ่ะเราไมด้เป็นพยานไลด้วยไปที่ไหนด้วไปที่ไหนออุยทาไมสั่งคุณไม่ต้องกลัวผมนะครับใช้องกลัวถึงเป็นอย่างนี้และกมันก็จะเป็นโอกาสนรุเจ้าผมบอกทุกคนไม่องไปสั่งเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาออกไม่เราไปเห็นแล้วเราไม่ชอบนะเราเกียดคนอย่างบ้านราต้องจับใจหมาจับใจมหผมว่า เดี๋ยววันไหนพาไปหัวโกเบตะกดอยู่กับเาอชั่วโมงน่ะเวจะรักเขาเลยจริงจิ๊เขียมันาน่ากลัวเลยไม่กลัวไม่น่ากลัวไปรููสลเลืเดี๋ยว้าูไปูก็ชั่วโมงาทิตหน้าไปอยู่รูปสงชั่วโมงเจะรักเลยสองชั่รักอ ผมก็พาในอาชีพต่างๆเนี่ยนะเราก็หลังจากเราสึกแล้วเราผู้ที่มาอยู่กับผมเนี่ยคนที่เป็นคต้นเรามอาศึกษาตัวเรานผมพอรับแบบนั้นผมก็พาเขาไปทางานตามที่ต่างๆหลังจากฝูกฝังเรื่องพระเจ้าเขาจนจนผมคิดว่าโอเคนะผมก็พาเขาไปทางานที่ต่างๆแล้วพอทางานเสร็จเรียนคอยประคุณมาเป็นสมาชิกเ่านแรกที่จะมาดูเราบอกเอาไปอย่างนี้ คือเราอบรมเสร็จปุ๊บพาไปดำนานแล้วเขาก็มาเป็นสมาชิกหนึ่งแล้วก็ใช้รูปแบบของโบดถ์ติดตามดูแลเขาต่อไปซึ่งเวลที่เรามีสมาทิกอยู่2สาคนในทุกวันทีตเวลาที่เรามีนมัสกัราก็จะมีแปดเป็นต์นักตัมาก่อีก 20% ่เป็นก็เป็นพวกญาติโของเาที่มาในทุกวันอาทิตย์เราก็มีเลขวีดน เออนี่เป็นอาคารแม่จะเด็กเราก็เปิดเมื่อเดือนมกราปมที่ผ่านมาพระเจ้าสูงสวรรนี้ก็สเสด็จมาเปิดอาคารให้ผมแล้วก็เด็กพวกนี้เด็กพวกนี้ก็เป็นเด็กที่เราดูแลอยู่แล้วตอนนี้เรามีอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามีผู้หญที่ไปตั้งครรภแล้วก็เข้าไปเลี้ยงจาแล้วก็ไปพ่อริบในนั้นเยอะมากเลยแต่เวลานี้ผมก็เลยตั้งสร้างอาคารแบบนี้ขึ้นมาใหม่ ก็นเป็นาาที่เด็กๆเล่นๆอยู่กับพวกผู้หญิงที่ออกสบเรือนจาเป็นอาาแม่เลเด็กนะครับเราก็จะอยู่ได้ประมาณสักหกสิบคนตอนนี้เรากรับได้ยี่สิบสามคนเด็กที่จะได้ไปที่ออกว่าเลิกก็ได้ทัวหนึ่งแต่เราก็เลียงไปได้เ hmm. รื่อยจว่าแม่โอกเมือนจาแต่เวลานี้ก็มีทุกระดับอายุเลยสิทั่ก็มี แงจะอยู่เรินจำอยู่เพราะว่าคดีที่ผู้หญิงเด็กทุกวนใหญ่เนี่ย1ิปีขึ้นไป15ปีก็มีเด็กแต่ละคนไี่อยู่กับผมประมาณสิปีประมาณผมก็ใช้ผู้ผู้หญิงที่พ้นโทษที่อยู่กับผมวาเป็นพี่เลี้ยงเพราะเราไม่มีเงินจ้างคนแต่ก็าเลยใช้ผู้หญิงที่ออกไปเรือนจำที่มาอยู่กับเราเลยเอามาช่ายหุงข้าวทำตาจัดผ้าทำนู่นทำนั่น เอ่อถ้ายังไม่ถึง3ปีก็เราสอนยันเรียนดูแรกันเองพอสาปีเรารถถก็ส่งลงเรียนรูปานที่ออแถวใกล้ๆเราแล้วพอหัวเข้าพอถึงก็วัดพระรามเจ้าล่างวัดเทพนีลาก็ารอบๆเราเรอบมูลนิธิของเราเราไม่ได้ไปใหแต่ว่าเราจะส่งต้องเรียนจนกระทั้งถึงวัดไตรรงเป้าหมายของเราตอนนี้เรามีเด็กทั้งหมดเรียนหนังสืออยู่ประมาณ34คน จะได้รับค่าโยกยนต์ในการเด็กที่เรียนอ๋อไม่ได้ไม่ได้คือเด็กไม่ได้เสเราจะ่ายาอุปกรณ์ท่าเดิบ้างมาแม่ถ้าเป็นโุงเนอกชนนะเราต้องจ่ายไม่ได้รับ่านต์ไม่ได้ขอาม่ใ้าไม่ให้รเราบอกเาเวาเป็นบุริที่เราช่วยส่้อดนใช่ผู้จัดการร่วม่วยการเรียเขาเนไม่ได้ไม่ได้ อ, grammar, อ, no อ, อ, อ, อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่งจำนะนี่เป็นเรื่งจำนะเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กในโครงการของพระองค์พาพระองค์พาเนี่ยดูแลเด็กในที่เกิดในคุกต่างๆในประเทศไทยเนี่ยท่านเนี่ยให้ทุนเด็กเหล่านั้นซื้อนังซื้ออะไรเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงอายุขวหนึ่งท่านมีอุปการะช่วยเหลือเด็กมันเป็นโครงการที่ท่านทัาขึ้นเรื่อยโครงการกำลินใจต่างๆขึ้นแต่ปัญหาใหา่ก็คือว่า ภูพายังไม่ได้มีอะไรไกลกว่านั้นคือว่าหลังจาเด็กครบหนึ่งปีแล้วเด็กก็ออกจากเดือนจำเนี่ยภูพามไม่มีแนวไม่มีโครงการดังนั้นก็เลยมีการคุยกันระหว่างพวกเรากับบรรดากระทรวงวิธีทำบรรดากระทรวงวิธีทมก็เปิดประธานโครงการกําลังใจตั้งเด็ิทีโภงก็เลยคุยกันนั้น ก, ก็เกลยขอเราช่วยรับเด็กโภงนีม้มาดังเด็กที่อยู่กับผมจังหดะนี้คือเด็กที่มาจากโครงการกํราลังใจทั้งสิแต่เรารับแต่เด็กแต่ไม่ได้เงินนะ ผ้าลับมาปาหรืออะไรย้อนแย่เนี่ยมีปัญหามากเรื่องเงินเนี่ยเขาเขาไม่ไไไม่ไเคยให้เสสรึดหนึ่งเลยฉะนั้นเราลามเด็กมาเพียวเพียวเลยนะช่วยทุกอย่างดนั้นผมก็เลยต้องมีโครงกขอขอนมขอแ hamper ขอห้คนเยอะแยะดงนั้นไปเทจนี่ไปหลยปก็อาจจะขอไปจะสสมาคมหน่อยเพื่อบอกนันจะมีส่วนช่วยบ้านไบ้างไปจะมอ <consistency> อะไรครับนนี้มีเด็กมีเดที่นี่ครับเด็กเข้าด่มีกิจกรรมบอกเด็กรู้เด็กเรียนรู้เรื่องประจำเดมาอยู่กับเราเลยเ้องเอทำ้าเราต้องก็ต้องมีเด็กทุกคนทำได้หมดเลยอะไปเยี่ยมเราก็มีหลายคนไปเยี่ยมกินข้าวกินฐานคือเราทําทุกอย่างกิจกรรมภายใต้พระคุณพระเจ้าเราไม่ได้สถานสงเคราะห์ที่นี่ไม่ได้สถานสงเคราะห์ที่นี่ไม่ได้สถานช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กใม่ใจ ที่นี่เป็นมูลนิธิแห่งความรา่าในชีวิตใหม่ในประชาวเพราะฉะนั้นเราสอนเขาเขาต้องท่ อ, องเขก็พีสอนตอนอิฐานเล่าเรื่องว่าเยี่ยนทูเราเัง ก, ก่อนนอนมองเบยกที่สเตนทุกอย่างเป็นระบบแบบที่สเตนหมดตั้งแต่เขาอู่กับเราขวบมือจนถึงเขาอู่กับเราแบบยี่หกปีถึงกว่าหอยก็แล้วแต่นะครับเรามีคนทุกใบเนี่ยพอตโตมาหน่อยเราก็ส่งเรียนหนังสือไปไปพอโตขที่ใหม่แล้วตามก็ส่งเรียนรรยยปปหนังสือ เียนหนังส oh, right. ือน gotcha si ี่พวกนี้พ่อแม่ดูเรื่อจําังเรียนพกหนัโอเคครับเดี๋วเวลาเดี๋ยวมาคุยในที่เล่าเลยจังเออใช่เดี๋ยวเป็นการสนุกอะไรนิดหนอยกันเลยผมสนใจคือคุณไม่ต้องสนใจงานผมเท่ากับสนใจสิ่งที่คุณได้ยินเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินและเป็นสิ่งที่พาถ่ายคุณเนี่ยผมอยากจะ ผมใจว่าขอนําิ่งที่ช้าใจใจคุณไปสุดชายที่อยู่พวกคุณมีค่าพวกคุณในละคนมีค่าคุณมีภาษาที่มีอำนาคุณมีความคิดที่ยิ่งใหญ่คุณมีวิธีการที่พระเจ้าใช้ในการเกิดคนพวกคุณต้องเอามาเอาไปกันสำคัญมากนะเอาต่นี่ดูเส้นจมท้าคนหนึ่งเนี่ยเมื่อพระเจ้าทํางานในชีวิของเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเห็นเด็กชายคนเด็กชายใจเด็กชาย นี่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนนันเลยครับโอ้น่าเบื่ออ่อนสิถ้ามันอ่อนขายยาสิอีกแบรนดหนึ่งตอนนี้เป็นลูพระเจ้าผมก็บอกเฮ้ยมาูปัโนาเดี๋ยวต้งแต่มันดูดีกว่าน้าธรรมดาไม่ได้แต่งานี้รมาูปัโนาต้งแตงมันสวัสดีครับผมชื่อเจือนแสร์ใรเนี่ยก็ชื่อแชื่อยนอยู่ที่น่านอยู่ที่มูลที่จังับ กระบปีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสให้เราเป็นดยานนะแล้วก็สิ่งของวันนี้พันอาจารย์ผู้ถึงหัวข้อในการรับารด้วยแต่ค่อนึงอยากเล่าประสบการณ์ชีวิตของผมนะผมผมติโตเนี่ยคือไม่ได้พ่แม่ของที่ได้สอนเราคือผมไม่ได้คาท้าแล้วก็สถานสมมติขขเนี่ยก็จะเลี้ยงเราตามที่อยู่ภายใต้ของประทรวงพัฒน า, านสังคมตามใจะ มีกับค่าวมันไม่กินส่งไปโรงเรียนจะมีรถรับส่งอะไรเงี้ยแต่นมนเ อ, อิร์มันเด็กที่แตกแตกตลาดกว่าคนอื่นคืออยากจะออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวนะมันมีความวคิดอยู่พอจะออกปใช้ชีวิตส่วนตัวจะคือไปโรงเรีนเรนึงเพื่อเราเข้าบ้านหโ ม, มงเข้าบ้านรุ่งเร็วทำไมเราอยู่ทางเาต้องเข้าสมโมงก็แต่บ้านแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าในระดับที่ ที่ผมอยู่ในอ่างพี่ผมก็ยังมีผุมตผมเป็นเป็นเด็กที่ทีพ่อแม่เวลาไปโรงเรียนอยแม่เนเราเรารู้สึกว่าเราจะคือเขายิ่งจะมีวันพ่อันแม่้ก็แช่งเลยจะเป็นก้าหรืออะไรเชิญมาเงี้ย้เชิญพแม่มาว่านซึ่งคูก็รู้ว่าเราเป็นเด็กี่ที่พ่อแม่ทมต้อเอาไเราความสุขเรานั่งน้องน่ากันอะไรเนี่ยประมาณ20คนที่เดอียผมได้อยู่เรียนมาชลมอยู่เรียนอวาอย่างเงี้ยเรียนาชุลมแล้วก็ ในขณะนันเนราองมีปมด้วยนว่าทุกทุกัได้กล่าวิีกันผมกล่บิีาผมไม่มีการก่าแต่ตลอดตลอดทั้งนั้นเนี่ยที่ผมมีปมด้ยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอยาจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มาเตเต็มเต็มให้กัผมผมไม่รู้ว่าในสิ่งนี้จะมานทําเต็มให้กับผมได้ไผมว่าทำสิ่งที่ไม่ดีผมเริ่มดีลอกการสร้างเฉพาะไปติดเกล็ติดเลืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยท่านครูเชิญแม่ที่ถายพอมมาแล้วมาพูดคุยแล้ว เด็กขคุณไม่มาเรียนเลย3มเดือนเรขอไล้ออกผมถูกแล่ออกแล้วก็ในขณะที่ผมถูกไล่ออกนี่ยทางสางสมรถามผมว่าจะเอาย่งไรชีวิตผมผมผมก็เลยบอกบอกว่าอมอยากออกไปะชิตงนอกแต่แต่ความปนจริงแล้วเนี่ยทางส่างสมรไม่ปล่อยแน่อนแต่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็หนีออกไปในขณะที่ผมหนี้อกไปเน่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหน ก็นั่นก็เลยรุ่กัอย่างนีนะเราเรียนงสอวดเองจะปอยูงไหคุณน้าคุณป้าคพี่คิดว่าไปอยู่ไหนใช่งไหนกันหรอ ต้องนะั้นผมไม่นอนกัสะานอสเสือส อ, สอะไรเงี้ย <laughs> นะผมไม่นอนตามต๊ะยีกอมีมีมีตลาดะผมไม่นอนตามลารถจะบะลานตาดนะมันมันเคยแอบไปนอนแอบไปนอนบ้านเขาวก็โดนขขาลุกหนีอารเ้ยก็ต้องกหีคือเราไม่มีที่นอนแต่แต่เนี่นผมไม่มีที่นอนเนะแล้วผมก็ไปพึ่งเพื่อนพราผมไปพ่งเพืเ่อนเนี่นตอนผมไาี่สิบสองคนเหมือนกันไปนอนที่บ้านเพื่อนของพ่อแม่พ่อแม่ขอโทษว้าขอโทษพ่อแม่ขอว่า อนอนพันนอนจากกา่ายค่าน้าไฟอะไรเงี้ยผมก็ต้องวันหนึงต้องคิดต้องอมีเงนสมรร a นะให้พ่แม่เขาให้พ่อแม่เข า, มเขาผมตื่นมากอบโมงช้าตมาต้องคิดว่าคืนนี้จะนอบ้านไหนจะอนอนบ้านใครจะนอน้าไหชิผมเป็นแบบตลอดตลอดหลั้หลั ง, ห ล, งหลังจากนั้นเนี่ยผ ม, ผมก็ไปเจอเพื่อนผมนึ่งที่อยู่แถงสวนกูที่ผมไม่รู้ว่าคนนั้นเขาทำรายการแต่ว่าผมม่เห็นเขามีเงินมีสผาดดีๆส่มีทองมีรถขับแค่นั้นที่ไม่ได้ทำงานเลย นอนไม่นอนดสุดท้ายผมรู้ว่าเขาไปขายการสติแต่ส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเข้าไปผมเด็ก่อยากจะมีอยากจะมีแบบเั้า์เพื่อมาเติมเป็นเพราะว่าผมขาดนั้นแต่เด็กๆไม่มีการเติมเป็ผมคิดว่าการมีเงินมีสถานทีดีก็อาจะมีคนยอมรับผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้มามาที่ผมบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยผมผมสรุปไม่งอย่างที่คุณป้าว่าผมเคยติดไหผมไม่เคยติดยาผมติดสถานนี้ ผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ขายและจำหน่ายผมสวนมามฉลาดไม่เศษขายเดียวเอาเงินแต่สวนมากถคนที่ไม่ฉลาดก็จะขายแล้วก็เศษด้ว ย, ยแล้วก็ไม่มีเงิน <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการถ้าผมมีเงินได้เยอะนะเดี๋ยวจะมีคนมาหาผมจะมีคนมาสนใจผมผมท่าเนเป็นแวันผมใช้เงินสี่ห้าหมื่นวันหนผมใช้เงิน4ี่ <c oughs> นห้าหมื่น 0. ตอนผมขายยาผมใช้เงิน4ี่ห้าหมื่นและบ้านบ้านผมอยู่เนี่ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งพักยา แต่พันยาผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยมีคนมาเอาโทรมาผมใช้แค่นี้เอาไปวันหนึ่งผมใช้เงใช้อย่างเงี้นนผยผมไม่เก็บเงินผมได้มาละห้าพันคำมอไซช์จากเอ่อส่วนผู้ในสาขาเนี่ ย, านนยมาราบตั้งแ่ห้าส53ได้แล้วห้าพันบาทง่ายเลย ครับอะไคือแต่ไม่คุ้มนะ่แต่ไม่คุ้มะแต่ผมไม่จะบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่ผมเล่าเล่าให้ฟังผมผมเล่าให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือเบื่องหลังชีวิตของผมแต่ผมไม่จะบอกว่าสิ่งสิ่งสิ่งเหล่านี้ยเมื่อผมไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยผมก็แสวงหาสิ่งนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรที่จะมาเติมเต็มให้กรบผผมเข้าออกสี่ย่อครั้งที่หนึ่ร้องได้สํำนึกแล้วสํำนึกอีก กลับไปจะไม่นานหรือแล้แม่ที่สั่งหนุ่มพ่ อ, อไปเยี่ยมที่บ้านเมตาแจ้งมาจะนะร้องไห้ผมว่าจะประกันตัวผมเอา น, นุ่ปี๊มาให้ปี๊เดียวแล้วกลับไป <c oughs> ผมว่าว่าจะประกันตัวผมแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจำทําไม่ได้ <c oughs> พอผมพอผมเข้าไปแล้วก็ออกมาเราก็กลับมาทำอีกสี่รอบเข้าออกอูเนี้ยและชีวิตก็ปฏิญาณตนไว้ว่าจะขายยาตลอดชีวิต <c oughs> ปฏิญาณตนอย่างนี้เลยแต่แต่ผมสิ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมาเจอ มูลที่พันธกิจเรื่องจำคริสเตียนผมอยู่หน่วยก่อนปล่อยรอไปสิแล้วผมอยู่บ้านนุนตาอยู่หน่วยก่อนปล่อยหน่วยก่อนปล่อยในศาลที่นี้ก็จะมีกิจกรรมจากคนข้างนอกนมาอบรมว่าปล่อยไปจะทํายังไงปล่อยไปจะเริ่มต้นยังไงคือพอผมได้ยินน่ะคริสเตียนผมผมบนใจ น, น่นาไม่ครับพูดเรียกพระเจ้าพระเจ้าจาาผมคือตอนนั้นผมยไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วตอนนั้นอาจารย์สุทนทรเขาส่งทีมงานไปส่งเอ่อทีมงานไปพอเขามา ผู้ลึงระเจ้าพวกเราเดินออกพวกพเราเดินออกพวกพเราเดินออกเลยฮะเพพวกวพเราไม่ฟังแต่ก็ยิงงานของอาจารย์ก็มาบ่อยมาก ม, มาบ่อยมากเราก็ต้องยอมเราก็นั่งฟังในขณะที่นั่งฟังเนี่ยก็จะคัดค้านเงินพระเจ้ามีจีิงหรอพระเจ้าไม่จริงร ค, ครับ เราพระเยซูกินข้าวของพระทูตไหมเราเขาจะพูดเราเราเป็นเด็กคือเรา้าดการณ์ไปเรื่องราวพระเจ้าเพราะผมคือตอนนั้นเยาวชนหนาแนี้มันจะแบบว่าแก่ข้าแล้วแบบว่าคือกลัวนะคือไม่ไม่ฟังไงคือผมก็ไม่นั่งฟังแล้วก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากเด็กเนี่ยจะติดขนมจะติดขนมจะติดพวกขนมพวกฟันโอพวกครีมโออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าผมจะดูถ้าสมมติทีมงานตอนนี้ไม่มีขนมมาเงี้ยผมไม่เข้าเลยผมไม่เข้าเด็ดขาด คือทีมงานเจ้าสินทรเมือนที่จ้าสนจะแจกเขาต้องมีคุละเล่นแจกคละเล่นหนึ่งเราก็จะเอาสปาร์ตตอนบ่ายโมงทีมงานของรเจ้าสุนทรจะมาแล้วเราก็มองหน้าตู้เฮ้ยมาแล้วออกมาคับียออกมามียออกมาคัมบีแล้วเราก็มองก่อนมีมีคิมโอไหมมีคิมโอไหมพอมีก็บอกว่าให้เพื่อนสืบพร้องทีมาให้เพื่อนสืบพระคำทีมาก็จะถามวิทย์ใครอ่านพระคำทีไหมไอ้นันที่เราไม่ได้อ่านแต่ผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้มาชื่อพระเจ้าขพรขนมนะไม่ไม่ใช่เพกาะคิมโอแต่ผมจะบอกว่า วันท e ี podemos, ่ผมมาเชื่อพระเจ้าทีมงานของอาจารย์สมพรูดเรื่องความรักพูดเรื่องความรักแล้วผมแปลกใจมากในความรักของพระเจ้าเป็นเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วความรักของพระเจ้าไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมเจอมีบางข้อพิจาร่อหนึ่งที่ทีมงานอาจารย์มาพูดแล้วและผมแล้วเะมันเข้าในหัวใจผมไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความรักริ่งใหญ่มากกวันนี้มีการที่พระเยซูเนี่ยมาสละชีวิตของโลกเลยผมนั่งฟังไม่มีจริงหรือจะมีคนมาสลักชีวิตเพื่อเราขณะเราโดนจับยังไม่ทำอะไรเพื่อมันหนีไปแล้ว ไม่มีใครมาเยี่ยมเราไม่มีใครมามองดูเราแล้วก็พระเยซูเป็นใครลงมาสลัดชีวิตเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเราผมมานั่งอยูอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าในขณะที่ ท, ที่ที่ผมได้ฟังเรื่องความรักของพระเจ้าผมยกมือรับเชื่อพระเยซูในสถานบินิและเป็นและเป็นผมยกคนเดียวเพราะผมยกผมแตกต่างจากคนอื่นก็โดนด่าเลยคนระับก <c oughs> ็เพื่อนด่าเพื่อนก็ บ้าเเปล่าเขาจะพูดอย่ามึบ้าไปแล้วเป็นปุ๋รั่วมึงรัรว่วผขก็จะว่าผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะนั้นผมความเชื่อไม่เข้มแข็งเพราะจะเป็นเหมือนไม่ครั้งทีเซียนนั่งไว้หลังหรอกพออาจรมาเราก็จะมีชีวิตที่ดีอาจารกลับไปแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ขอบคุณพระเจ้าผมก็ปล่อยตัวไปปล่อยตัวไปผมงว่มามันเริ่มต้นดีตามพรในขณะที่ผมจะเริ่มต้นยากยากที่ผมจะจะจะจ ะ, จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยคือ ผมเคยสนุกกับสิ่งเหล่านั้นที่เคยมีเคยแต่ในขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ผมตัดสินใจเพราะตอนที่ผมปล่อยปล่อยไปครั้งที่ส่เนี่ยผมกำยาบ้านยู่ยอะแต่มีเสียงนึงมันบอกว่าถ้าทำอีกเข้าตัใหญ่ในขณนะนั้นน่ยผมพิันญาเสติผมจริงเลยผมไม่กลัวว่าจะโดกนกระเทือเพราะผมเพิปล่อยมาผมตัวมันไม่ได้เป็นเสียงคือมันมั น, มนผมผมยืน อ, อยู่แล้วแล้วมันก็ขึ้นมานเลยว่าทำอีกจะก พันธุ์นผิในขณะนั้นผมผมคิดถึงพันิกินดเรียนจงผมโทรเข้าไปที่บัตผมจำเบอร์บัตรได้หนงหนึ่งสหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งสาโทรบัตรเพื่อจะขอเบอร์โทรพันิดเรียนจแต่ว่าผมก็บอกเบอร์ไมผิดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็ตัวกลับไปสานีขอให้เบอร์ที่พันธกินผิดจะมาแต่ในขณะที่ผมตัดสินใจเนี่ยยากมากผมต้องทิ้งเงินทิ้ยาเสพตที่ผู้หญิงทิ้อะไรที่ที่หลัมากเลยแต่สุดท้ายผมตัดสินใจ ทิงหมดทุกอย่างไม่เอานะมันเริ่มต้นราพรในขณะเป็นเรื่องต้นราพรก็มีรู้เรื่องไลก็ยังเป็นผู้จูดคือคือก็เชื่อรับเชื่อแล้วแต่ยังไม่เข้มแข็งเป็นผู้จูอาจารย์ต้องเดินมาบอกถึงแม้ศิษยจะไม่เชื่อพระเจ้าอะไรนทางมุ่ที่ก็เลยจะช่วยและให้ให้ผมได้เรยต่อในขณะนั้นผมก็เริ่มเรียนรู้ก็เริ่มมองคนที่อยู่ในในราพรหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาพระคำของพระเจ้าผมอ่านปบมการวาระสบทผมเชื่อพระเจ้าผมอ่านเรืสบท อ่า อ, าอาและผมก็พบกับพระเจ้าในเวลานั้นในขณะที่พบ พ, พบกับพระเจ้าเนี่ยความที่ผมเปลี่ยนในหมดเลยจากการที่ผมไม่อยู่บ้านเมพรเนี่ยอยากแค่อยากจะทํา ง, า, า, ง, ง, งานแล้ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยผมอยากจะจะจะมีส่วนจะจะมีส่วนในการอยู่แล้วก็พัฒนานชีวิตแล้วก็รับใช้พระเจ้าในขณะนั้นเนี่ยผมผมผมมีภพอย่างอยู่แล้วอยากจะรับใช้พระเจ้าและสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยผมเมื่อเมื่อผ่านผ่านไปในขณะที่ผมเริ่มเริ่มติดตามพระเจ้า เจ้าสมภก็เริ่มเชิญชวนแล้วก็พาทายเถิดมารับใช้พระเจ้าร่วมกัน ใ, นในขณะนั้นผมไม่ไม่เข้าใจว่าการรับใช้คืออะไรผมผมผมเคยโดนพระเจ้าพิสูจน์โดยพระเจ้าพิสูจน์ในการที่แบบมีหัวใจให้พระเจ้าจริงหรือเปล่าเมื่อผมได้ยินการมาพูดถึงการประกาศผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นนักประกาศผมผมไม่ได้ประกาศเาว่าผมเป็นผู้รับใช้หรือผมไม่ได้ประกาศเพาผมได้รับใช้พระเจ้าหรือผมไม่ได้ประกาศเพาะว่ามีคนให้ทําแต่ใ น, นขณะที่ที่ผมไปทํางานในเซนเจอร์ผมผมใช้ช่วยอยู่อยู่อย่างเงี้ยทั้งทีหนึ่งเล่นไปไปดูปฏิบัิาาการประจำหนึ่งงนแล้วก็ไปดูบรการประกาศเรื่องราวพระเจ้าหนึ่งงานผมจะมีในกระเป๋าผมจะมีอย่างเงี้ย แล้วแลแ้วเราไม่ว่าผมจะไปส่งงานหรือไปส่งอะไรอย่างน้อยคนที่ผมไม่ส่งต้องได้รับงานแล้วก็ได้รับใบตลิวแล้วก็ได้รับใบตลิวภายนติดเยียนจารย์คือผมมีมีมีมีมีมีความพิ้งว่าผมอยากต้องการให้คนที่ที่ที่ได้ไปพบเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าหรือได้รู้จักกับมูนที่ที่ที่ทำงานช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยแล้วผมกาใช้ชีวิตผมเนี้ยเป็นงไงผมนั่งถามท่านมีเวลาว่าผมใช้ อ่านแล้วต้องมีผมไม่มีไม่มีตังสักบาทเดขับซเจอร์ไม่มีตังสักบาทับเินเ e อเปิดแ้วต้องมีอ่านผมไม่รลวกคนเด็ยนไปประมาณน่้เป็นพิเยษแต่ก็มีต้องแก่กันมาน้องเป็นพิเียนองที่คนนั่งประภอนครับเอาบนัสสินทรอนะครับพอเป็นเ้องแกเปิดร้านอาหารอยู่ตรงตัดสิน power ตรงตัดสิน power เขาบอกให้ผมไปกินข้าวฟรีผมไปกินข้าวฟรีไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังไม่ต้องอะไรแล้วเปิดชื่อดีไป แต่ในขณะนั้นผมรู้เลยว่าพระเจ้าพระเจ้าให้ผมได้เห็นว่าเมื่อเมื่อเราศักดิสิทธในการที่เราแบบว่ารักพระเจ้าแล้วประกาศเรื่องราพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเลี้ยงดูและผมอยากจบอกว่าคือเรื่องการประกาศเนี่ยผมผมผมอยาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือผมไม่รู้อกว่าใครจะประกาศเก่วไม่เก่งผมไม่ได้เป็นนักประกาศที่เก่งแต่ผมคิดว่าผมไม่เชื่อพระเยซูเนี่ยผมต้องการที่อยากจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้ให้คนอื่นได้รับความรอดเหมือนมืนที่ผมได้รับผมไม่เจอผมไม่เจอคนคนสติไม่เต็มผมพูดเขา ผมผมมั่นใจว่าหลายครั้งพิเศษก็ยังเป็นผู้เรื่องราบพระเจ้ามันน่าละอายผมผมเชื่อพิเศษบางคนมีอย่างเงี้ยกับผมแม่จะบอกว่าการที่คุณมาเป็นริเศษเนี่ยละอายเรื่องราวพระเจ้าผมไม่เคยอายเรื่องราวพระเจ้าผมไปยืนคุยกับคนบ้าซอยเอดีลาสามเก้า้งใไมไม้สิรู่อะออไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครยจะคุยกับเขาแต่เมื่อผมเมื่อผมรู้ว่าพี่สุพิเนี่ยสนใจเขารักเขาสนใจเขาได้รักเขาผมเนี่ยไปยืนคุยกับเขา ผมถามรู้จักเยซูไหมเยซูอ้าอ้อ้เขาผมผมคุยผมคุยแน่นะผมคุยเขามาถึง้านาทีกว่าคุยห้นาทีคุยเจอเขาก็ช่วยเขาเจอเขาช่วยเขาพูดเรือเ่องราวไปยซูเพราะผมคิดว่าคนอย่างนี้พระเจ้าต้องการ ฉะนั้นนะผมนจะบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่ผมผมผมได้มีโอกาสได้ร ร, รับใช้ในระดับสุขนัผนยผมจะบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ใช่ว่าเพอผมมารับใช้แล้วเลยประกาศไม่ใช่แต่ผมรู้ว่าในขณะที่ผม ย, ยังไม่ได้มารับใช้ในขณะที่ผมยังยังไม่ได้ถูกพระเจ้าเรียกมานะผมทํำมาพออยู่แล้วเพราะว่าสิ่ ง, ง น, นงในหัวใจผมมันมันมันสายมาจากพิ ธ, ธีชุคทิตและผมและผมก็จะบอกว่าคนทุกคนเนี่ย ถ้าก็พูดกันตามความเป็นจรงแล้วเนี่ยไม่มีใครหน้าภูเขาบอกไงอย่างที่อย่างที่ผมป้าบอกเขาสักลายหน้ากัวเขาสักลายหน้ากัวไม่อยากจะเข้าไปใกล้กองผมบอกถ้าวันนี้ไม่มีคําว่าพระเศษสูตรน่ะเราแต่เราก็ไม่มีใครอยากเข้าไปแต่ผมไมนจะบอกว่าวันนี้ที่เรามีพิเยซูตรนี่เนี่ยทุกคนน่ยไม่มีใครน้ากลัวถ้าเข <bursting. S 1> าได้ร like ับการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจภายในกองให้เขาสักมาขนาดไหนเขาเป็นเขาเป็นคนหนึ่งที่พิเศษสูตร ผมไม่คุยดับหมอระดับมีความรู้ที่ได้เวลาจับได้เาะทำงานบอกทำงานในกวลาบอกรื้ไม่กลัวเป็นผู้มีความรู้มากเลยแบบมีเสื้ อ, อยางเนยรือไกลัว ม, มันแทงคอนะบอกถ้าคุณหมอไม่จักมันเลยพวกเขาหน่นสงสารโอ้หมอไม่เอาหรอกเรจะทําทําไปเลยคือคนที่มีรู้จักพระเจ้าก็จะมองคนพวกเนี้เป็นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่จะบอกว่าถ้าเราเป็นพิเศษอ่ะผมไม่อยากให้พวกคุณมองมองภาพอดีตผู้ต้องขังหรือมองภาพคนที่เคยถูกพาไปมองว่าเขาไม่คนที่น่ากลัวเขาไม่คนนี้มไม่ ผมคิดว่าถ้าเราไปมองภาพตรงนั้นผมคิดว่าถ้ า, ถ า, ถาวันนี้วันนี้เราเราก็ไม่สมควรแล้วับคุณของพระเจ้าเหมือนกั น, ถ, นถ้าเราไป ม, มองนั้นแต่ผมคิดว่าเมื่อพระเจ้ามาไขเราแล้วก็ชำระเราแล้วเนี่ยผมอยากให้เรามองว่าคนพวกนี้นคนที่เรา จ, จะใช้การตอกไปเขาไม่ยอมสั่งเขาจะเป็นคำใบยาที่ดีวันนี้ผมผมเจอทา่าผมพูดหมดผมเจอท่านผมพูดหมดผมผมไม่สนใจว่าคนค น, นนั้นจะเป็นใครกต่ผมคิดว่าการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเน่ยจะเป็ น, น, ออ จ, นจะเป็นมันเหมือนใครวะเป็นายาที่ดีเป็นยาที่ดีบางครั้ง บางครั้งผมโศกเศร้าเพราะข้าผมไม่รู้จะทําอะไรออสองอาทิตที่ผ่าน ม, มาผ ม, มีความกังวลผมเครียดผมอะไรแต่ในขณะที่ผมเครียดผมนั่งไหนต่างพระเจ้าว่าพระเจ้าผมต้องทอําแต่พระเจ้าบอกผมว่ายิ่งรับใช้ยิ่งรับใช้เดีย๋ยวจะได้ไดรับการรักษายิ่งรับใช้ความเชื่อจะเพิ่มขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยผมคิด ว, ว่ารับใช้พระเจ้ามารับใช้พระเจ้ามาจะมีความสุขถ้าเราถ้าเรามัวแต่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนะผ ม, ผมคิดว่า เรื่องเรื่องความทุกข์เรื่องความต่า ง, า ง, างมันมันมันจะเข้ามารวมแล้วฉะนั้นคุณได้ยกผมมีคำถามสุดท้ายพี่น้องว่าในโลกนี้ใครต่างกังนที่สุดครับคืเอเราดูถูกต้องครับตัวเราหลายคนคิดว่าก็องเป็นอาจารย์ประจยมุลอาจารย์สุนรอาจารย์สุนชัยไม่ยนะเพราะว่าในขันหน้านของอาจารย์ให้บุณยอมนะแต่ข้างลงมาที่ดูถูกตัวเราะไม่เกิดผลหรอกแต่ผมว่า มันเพื่ออยู่กับตัวเราเชื่อในอำนาจของพระเจ้านะพี่ะพูดพูดไปแค่คำเดียวเนี่ผมไม่รู้ว่าไอ้แค่คำพูดคำเดียวเนี่ยมันเป็นแต่ต้องติดใจเขาแล้ววันนี้เนะขาจะไปเขาอาจจะไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้ววันนี้เขาจะมาดูจัดกับพี่ๆทุกที่ในขณะดที่เราไดประดับอีกหปีก็ได้ฉันเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเชื่อในลิเทและผมเชื่อว่าทุกคนคือเป็นพวกเราทุกคนหรือพี่ๆนะนะเป็นนับประการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะผมผมเชื่อนะเบลลิกีเบอ อาจารย์และนี้การ์ดทำก็ไม่ได้เก่งนะแต่ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นนักภากาที่ที่สุดยอดที่สุดนะผมผมเรียนรู้นี้ว่ายิ่งมาตตาเรืร่องราพระเจ้าออ ก, การดุพิภรจะมาและยิ่งนึงเข้าคุณไม่สบายนะรับใช้พระเจ้าที่งเมกตาโดยการรักษาจะมาถึงผมผมผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีมีโอกาส ร, ร่วมทํางานกันนบดุวิกรผมผมไม่จะถ่องตัวว่าผมเป็นคนไม่ฉลาดผมเป็นคนไม่เก่งแต่เมื่อผม เรียนกับอาารสุนทรอาจสุนพูดมาอยู่คํานึงว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนเก่งพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนฉลาดแต่แต่พระเจ้าต้องการคนที่ทํางานและถ่องใจร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือซนนั้ผมผมนั่งฟังแล้วน้ำตาเพราะผมนั่งคิดว่ามีคนเก่งกับผมเยอะแต่ทําไมพระเจ้าพระเจ้าเรียกเรียกผมมาทํางานครับแล้วผมก็มองว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากเลยแล้วก็ต้องระดับชอบวสูงอะไรเงี้ยแต่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าพระเจ้าเรียกได้ผม มารับใช้ระบวผมคิดว่ามีมีเวลาอีกอีกอีกไม่เท่าไหร่แล้วพระเจ้ามีเวลากาหนดนมันยืนรุกก็จะเสด็จกลับมาแล้วก็มันยืนรุกต้องต้องรับเราไปมันีเราต้องโชว์งานของเราให้กับพระเจ้าดูแค่นี้ต้องโชว์งานถ้าการงานของเรายังทนอยู่ได้พระเจ้าก็บอกเราก็ได้อยู่กับพระเจ้าก็ขอบคุณนระเจ้าก็บอกว่าคามยาชีวิตจะเป็ น, นสิ่งที่หนุนใจที่น้องคุณลุงคุณนา้าแล้วก็คุณป้าก็บอกว่าขอให้ชีวิชีวิตของผม เป็นสิ่งที่จะช่ให้วามคิดพี่ๆอย่างนงัขอบคุณมากครับเลี้ยงชย่มาอยู่กับผมรับเวลาที่เรารูแกล้งลร า, าไม่ไม่เคยเห็นพ่อแม่แล้วก็แม่ทอดเขาเสร็จแล้ว เ, เอาเข้าไปทิ้งไว้หน้าสนามงนานสถานสงเคราะห์ันั้นเขาก็<ม> เ, าเก็บเข้าไปเรียนแล้วตอนนั้นมาก็โตมาในสถาสนสงเคราะห์ตลอดเลยตามไหวตัวปัญหา เขาที่ไปเกือที่งอะไรไว้ทิ้งทุกกางให้หมดเลยที่จะสถาทุกครัเอาไปบันเทิงไว้นี่ยนะราะนั้นก็ก็มีชื่อแต่ว่าเขาเคยถามผมว่าจะไปตามพ่อแม่ผมบอกอย่าเลยวอนนี้มีพระเยซูเป็นพ่อแม่นะไม่ต้องไปตามเดี๋ยวเกดหัวยาว เนั้นปล่อยปล่อยปล่ดีกว er ่าเพราะว่ามีเด็กหลายคนที่อยู่กับผมแลเป็นเด็กกำพราแบบนี้แล้อยากจะให้ผมไปช่วยตามพ่อแม่เพราะนั้นผมไม่ค่อยอยากจะทําอย่างนั้นต่าไหต่ก็คิดว่ามันจะไปเสียหนัเหตช่นนี้ของเขาต่้งทีดังเวลานี้ก็จากเด็กที่เผชิญอะไรตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่ววันนี้ก็คุณก็จาำนะเวลานี้ก็กําลังศึกษาเรีในประิศน์สุรินทร์แล้วตอนลูกชายก็ับผอยู่ ผมก็ส่เขากลั บ, บไปยังสถานพินิจที่เขาเคยอยู่ไปพูดกับพวกน้องๆจานั้นงนานของเขาคือดูแลเด็กโยมชมในๆๆๆๆๆสถานพินิจนั้นเป็นานของเขาโอเคนะครับขอบคุณมากเวลาเลยไหมนะเด็กอาจารย์จะทำให้ดีที่สุด เป็นอะไรที่มีสติเงินใจสุดเฉที่ี่ได้ยินวาเรื่อองแม่นอย่างจะใกห้ือนอาจารนยู้จักสเตจจอร์นสเตจจอรนเ่ตอนนี้ว่าเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งคนที่สอง ตีต um ่อจากไอสไตล์มันนีประเทศเรามีไอเออในโลกเรามีไอสไตล์นหนักเลยสติโจ้ที่เป็นนัถ้าไปตามสุนทรพจนของสติ๊กโวันที่สติ๊กโจ้ไปรับปริญญาตรีที่เดียวในโลกที่มีคนอยากให้น้องเยอะมากเพราะสติจ้เป่โลกแต่ที่เดียวตัวที่แฟนพอที่อยากให้น้องป้ายังไม่ไลนไปเปิดดูสติ๊กโจ้ผิดพ่อแม่พิ้งงา พ่อแม่จริงๆิเจไม่ ย, ยัติเจ้พาพราะว่าเามีรูปเร็วแล้วก็ก็มีเหตุผล ค, คืออยากจะให้ ส, ส, สิ เ, จ, ญญ เ, เสจ้าไปอยู่กับพ่อพวดที่สามารถส่งรู้เขาให้เรีย น, ย น, น, นจบปริญญาตรีแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเราคือให้สิเาเนี่ยไปอยู่กับพ่อพวดหรือที่รับเลี้ยงอยู่เขาแล้วก็พ่อแม่เขารู้ว่าคนนี้มันจบปริญญาตรีก็จะอุ่ แต่สุดท้ายครอบครัวนั้นสัญญาว่าจะส่งสตีชอปเรียนจบปริญญาตรีแกะทัางที่เป็นคนกลุ่มเเป็นคนคนชายแรงงานเขาเก็บเงินทั้งชีวิตแล้วก็ให้สตีชอปเนี่ยเรียนสตีชอปเข้ามหาวิทยาลัยแค่6เดือนนะแล้วก็หันหลังให้เรามหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ได้็นคำตอบในชีวิตเขาที่อาจะให้กำลังใจนะะตอนนี้เด็กทุกคนในโลกนี้เป็นสมบัติของโลกนะไม่ได้เป็นสมบัติของใคร สมบัติของโลกและที่สําค kind of ัญท with uh, ี่สุดมีเมเยนโซคริสอันนี้เป็นสิ่งอะไรที่ยิ่งใหญ่มากการที่เราได้พบกันวันนี้เนี่ยมันจุดอะไรในหัวใจที่หลายอย่างที่ทํางานดิสเน่ดังใ้ในการทำงาการเรื่องต่างๆและเคยทำโครงการเกี่ยวกับผู้หญิงที่อยู่ในกรุ๊ปนะคะต่อจากการกำลังใจฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์มัพูดเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมากมาเลยว่าคนคนหนึ่ง แล้ก็อย่างให้เพื่อนๆอในห้องนี้ถ้าทุกท่านให้กํำลังใจว่าเด็กๆทุกคนที่อาจารย์ได้รับมานั้นตอนทีน่อาจารย์สุนทรเนี่ยทา ง, งานระดับโลกนะคุชัระดับ ช, ๆๆชาติคนที่จะทําทแบบนี้ได้นะอยู่ที่รางเรามีาศาสนาขีตศาสนาในโลกนี้กันทําไมมีริเศนคนหนึ่งลุกขึ้นมาทําทําโดยอาจารย์พูดคาที่ทคุณชัยรู้สึกมากแ่าคิดว่าไม่ต้องสนใจงานของผม มีคนกี่คนที่พูดคำนี้แม้กระทั่พวกสอสอหรือรัฐมนตรีหรือใครก็ตามทุกคนจะเอางานของเองม า, าขงังอาจารย์เหรอไม่ต้องสนใจางานของผมคุณทำของคุณไปแต่ถ้าคุณมีโอกาสมีอะไรที่จะเหลือทาได้ให้มาช่วยคาคํานี้มีคนาำที่ยิ่งใหญ่มากแมแต่คนที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศี็ยังพูดไม่ได้ อ, อาจารย์เหือนทอนมีพระเยซูคิดนะอาจารย์จะพูดเจ้าฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องนี้ที่นี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากและ คนในห้องนี้ก็สามารถที่จะช่วยอะไรที่ยิ่งใหญ่มากได้เหมือนกันนะคะเรามีในาหลายคนและเรามี ห, หัวหใจเช่นไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า ค, คนในที่นี่เป็นพ่อแม่ของพนะี่ก็ขอภาวนาดามัวมีอะไรที่ภูรษะใกล้เลย được, นะคะทำงานอยู่ที่สำ น, นักงานการเงนของกล า, า, า, างอยู่ใ้อนะท่านเลขาธิการและเคยเป็นภูมาก่อนแต่นั้นก็จัดแจ้งาจาัดสืบทอดนี้ท่านจะไปช่วยเพาตอนนี้เราทำโครงการสตรีที่กําลังจะพ้นโทษอยู่ในคุกอยู่แล้ว แต่นี้เ ป, นเป็นความชอบส่วนตัวความเป็นครูความเป็นแม่เพื่อเห็นเด็กคนหนึ่กมาลูอย่างนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าใครจะต้องมับผิดชอบถ้าไม่ใช่เราฉะนั้นไม่ต้องปวดเลยหนูมีพระเยชุกพี่มีอ า, า, าจารย์สุนทรอาจารย์สุนทรที่ถ้าเป็นศาสนาถ้าเป็นอยพิษสานเป็นคาตาลิเนเป็นเซนแล้วนะคนแบบนี้แต่อาจารย์พูดคำหนึ่งว่าอย่ามาสนใจงานผมไม่มีใครพูดรหรอกค่ะคําบบนี้คนจะไม่รู้สึก อยากได้อะไรเลยเนี่ยต้องเพราะว่าสวัญขานเขเขียนให้พระเจ้าเท่านั้นนะถ้าเราคิดแบบนั้นเราไม่อยากได้อะไรเลยค่ะจะไม่ ส, สัะสมอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขียนที่ย้อนเย็นสบายแก่พระเจ้าขอให้กำลังใจ น, นะคะกราขอบคุณอาจารย์ที่เป็นตัวแทนคริสเตียนที่สร้างสิ่งดีงามไม่เกิดขึ้นในระวันตกโลกเลยค่ะขอบคุณนะครับ ก็พอผ่านทางชีวิตจริงของอาจารย์สุนทรผ่านทางการรับใช้ที่นำมาแบ่งาันเนี่ยผู้เราผู้หลายแล้วผู้เราหลายก็ที่อาจารย์สุนทรบอกนะว่าอจารยนรกยาใช้สิ่งที่เราได้ได้เเกิดผลในชีวิตของเราัแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหน้องเจริญชัยนะครับที่นาประสบการได้ประสบการชีวิตจริงนระบบาแล้วตลอดคำถึใจขอพี่้อยนะครับสหรับคำถึใจที่พ่อยมากับอาจารย์สุนทรและอเจริญชัย และกับพวกเราทุกคนในเวลานี้ผมจะขอเชิญอาจารย์สันติครับที่จะอธิษฐานเพื่อนะครับการรับใช้ของการสนทการรับใช้ของน้องเจริญชัยต่อจนพันธกิจเกิ น, นจาที่จจอาจารย์สอนและน้อชอธิก่อนจะิานเพื่อคนหนึ่งครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายยาแต่เาตำยาเาน้ครับ <c oughs> อยู่ในบ้างฝัง่งแล้ว เพื่อนกันมาตั้งแแดงแไปนแต่ไม่รู้ว่าแดงไหนชื่อสุไทร์ผ่านเจีแดงตพ่รัดเพ่อนั่นวเล่าเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาตัดเพืออดอสุไทยครับนีสุไทรครับตกกับคนเชียงรายดิวว่าเห็นเห็นขาวอีกทีว่า นั่นสูทีมไทยล้านครับนายเอ๋เชา้าเชียงรายถูปัญหนานชีวิตแต่ว่าผมไปถามยายชพระาะยังไม่ไดปัญหาจะพูดตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นรับจา้างตามยาจับได้ทั้งเครื่องทั้งยาสาตว์หลายเองครับก็เม <c oughs> ื่อ <c oughs> สงครามเป็นไปรุปน ค, น ร, นครับสองตกสองเขียนตกเป็ดด้วยกันนะครับแล้วเขาไปเริ่ อ, า, า, า, า, อาจันทรทุกวนัารนะจันทถ้าจารย์จะไปกับเราบ้างได้ครับ เราทุกวันทุกคืนเราไปมากกว่าย <yar is> ้ายเขาย้ายกลุ่มกับบ้านยายเขาก็ฝากฝากลูกเอ้ด้วยนะเนี่ยก็มีมีคนเดียวเพื่อนที่เป็นกลุ่มเด็กด้วยกันทุกคนที่เหลือนั้นก็คือเป็นผู้น้องชายมาเลย คนนี้ก็เป็นผู้รับใช้ในเรือนจำยังไม่เจอแฟนพิเกอรครับก็จจขอบพระเจ้าเป็นขอนอาจารย์แล้วก็น้องเจอร์ชัยนะครับให้ร่วมใจกใับพิธา น, นะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระองค์ที่มาอย่งางชีวิตของข้าพหลายในวันนี้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความรักเมตตาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดขอผู้รับใช้ของพระองค์นะครับร่วมใจของทูตสัญชาติสุนทรในการทำอาณาจิในเรือนจําเห็นถึงความ การทรงนำของพระองค์ที again, field, ่โปร่งทรงเมตตาเปิดหนทางและเทศนี้เพื่อจะนํากิดิบุณบางร่าของพระงค์ไปสู่ผู้คนทุกมูเหลายโรวิพรเพระรัชนาที่ได้ประกาศไปที่พระรัชนาฯว่าท่านจะไม่ไปออกไปจากกรรชัยป่าแต่จะนำดวงวิญญาณมาถึงองพระสิริเจ้าโรดวิพรทุกทีมงานทุกคนใน ในกิจเวรจำในที่จับพระพรที่ทุกคนจะรับการชงนำการพระพรครอกครพวให้เป็นพระพรอีกมากมายให้คือแก่พวกชนชาวไทยท่านพระเจ้ากรบนาพาครอบครัวของท่านร่วมในที่จะยืนในการชงนำการที่านรักษาของพระองค์การบุญพรของพระองค์กำลังรวมใจอนิษฐานบอพระรุโพระอนขอทวยเกียรติสิ้นของพระองค์ในพรนามของพระสิิเจ้าอา